จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริาัตร์ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็เชิญขอเชิญเข้ามาร่วมได้วันนี้เราก็ไปที่เด็กชายนักคุณก่อนเช่นเคยนักคุณ นมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงวันนี้มีเวลรรมอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างมันจะมีอะไรกันเราอะไรพระอาจารย์บ้างเอาลูกจะเล่าอะไรกันล่ะลูกเป็นเด็กดีต่อดีเปเด็กนี้ไหมคะคุณเพิ่งกลับจากเล่นค่ะพระอาจารย์ยังอยู่บนรถอยู่เลยค่ะอืมอยากให้อยากให้ดูปั๊มอยากให้ไห้อาลูก โอเคไม่มีอะไรพูดใช่ไหมคะไบ่มีค่ะขอทำารพิะอาจารค่ะว่าจะเล่นที่ไหนนี่มันต้องสีทุ่มเข้าไปแล้วไม่ใช่เลยค่ะพระอาจารย์พอดีเมื่อวานไม่ได้พาไปไหนวันนี้ก็เลยพาไปเล่นที่ที่สันตามเด็กเล่นในล่มมาค่ะพระอาจารย์ค่ะน้องแม่ลูกนะอยู่กันไปค่ะกาบกับกับกับกับกับไทยค่ะโอเค ค่ะที่หังไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากาบนวัตการรมเสยๆค่ะโอเคค่ะพระคุณค่ะถูกค่ะไปที่จะแม่กับแจที่แม่ใกล้จะกลับบ้านแล้วยังกลับนวัสกรรพระอาจารย์ครับวันพุธหน้ากลับนะครับพุธหน้ากลับเอก็ไม่ได้เข้าซูมเลยพุธหน้าครับต้องเดินทางเลยใช่ครับ นั่งครึ่งเป็นกี่ชั่วโมงแบ่งเป็นสองไฟอะครับก็รวมกันก็ประมาณสิบสี่ชั่วโมงครับไปแว่ที่ไหนก่อนนะดูไบครับอ๋อแม่ดูไบจากลนดอนมาดูไบใชนะ่ไใช่ครับโอเคแบ่งเป็นประมาณครึ่งเจ็ดกัเจ็ดชั่วโมงต่อเจ็ดชั่วโมงใช่ครับโอเคดีใจไหมจะได้กลับบ้านหรือไม่ไม่อยากกลับนะ ก็ก็อยากกลับเหมือนกันครับอยกอยู่ประเทศอังกฤษหรืออยากอยู่อยู่ประเทศไทยดีกว่าก็ได้ได้ทั้งสองที่ได้ทั้งสองที่ททคันโอเคเล้ะเดวจะส่งการบ้านใช่ไหมวันนี้ใช่ครับเอาม้นมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้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 เราทำกรรมใดไว้เป็นมุญหรือเป็นบาปเร า, เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดที่ให้ท่องอย<ม>่างนี้มีอะไมีเหตุอะไรรู้ชรู้ปะ่ะทำไมเราต้องท่องอย่างนี้ทุกวันเราเป็นความจริงครับต่องเพื่อไม่ให้ลืมเข้าใจไหมนะคเป็นความจริงแล้วก็ไม่ลืม เราจะได้กลัวบาปจะได้ไมกล้าทำบาทําต่บุญนะโอเคแล้ร่างกายเราก็เหมือนกันทําไมต้องท่องอาการทารีสองเพราะร่างกายสวยงามก็ไม่สวยงามไม่สวยงามครับเรามีตัวเราหรือเปล่าไม่มีครับไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมครับอ่ามาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เอ็นกระดูกเยื่นในกระดูกม้ามหัวใจตับํมผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีรษนน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูก น้ำไข็ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข็ข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล่น้ำทีแยกในสมองสีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตของผืนตับหัวใจหมาม ยนกระดูกระดูกเอนเนื้อหนั ง, นงฟันและขนผมเ อ, อเวลาเห็นร่างกายต้องพยายามให้เห็นอาการแบบนี้นะครับอถ้าต้องไม่เฉยๆแล้วเวลาไปเห็นร่างกายก็มองไม่เห็นไม่คิดถึงมันก็จะไม่เห็นนะต้องพยายามครับแล้วเราจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร ครับอที่เราเห็นนี่มันยังเป็นส่วนส่วนย่อยส่วนใหญ่นี่เรายังมองไม่เห็นนะพยายามคิดอยู่เรื่อยนึกอยู่เรื่อยให้เห็นให้ได้เวลาเห็นรน่างกายก็ต้องพยายามให้เห็นตั้งแต่แตโครก็ดูเข้าไปเลยนะครับ okay. มีอะไรมจะถามไหมไม่มีครับจะลองได้ไปเจอตาวันกันหรือเปล่าได้นัดพบกันหรือเปล่า ไม่ครับไม่ได้เจอกันนะโอเคครับงั้นก็ไว้อาทิษ ต, ต่อไปมั้ง อ, อีกสองอาทิตย์ถึงจะค่อยเจอกันใช่ไหมครับโอเคแล้วกลับมาพวกคุณอาจารย์ครับอือ่าแม่น้องพี่น้องพีอยู่มาหรือเปล่าตามธรราส ก, การค่ะหลวงพ่อน้องพีอยู่บ้านคุณยายค่ ะ, ะเดี๋ยวอีกสองวันคงกลับค่ะ พอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วหนูเข้ามาไม่ทานนะคะพอดีไปทำบุญทำบุญบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็เลยเข้ามามืดเามาทำไทำไ ม, ไมต้องไปทำบุญบ้านด้วยบ้านมันไม่รู้เรื่องอ <c oughs> บ้านมันเป็นไม้ <c oughs> มันเป็นอิก <c oughs> เป็นปูนมันจะไปรู้เรื่องอะไระก็ไปทำบุญเลี้ยงพระเพนะคะก็วันขึ้นปีใหม่ค่ะหลวงพ่อทำบุญให้คนนะ <c oughs> นี่ทำบุญให้บ้านทำบุนให้คนค่ะก็พอดีว่าเข้ามาสายค่ะก็เลยรอสักพักหนึ่งก็เลยก็เลยออกเพราะว่าคนเยอะค่ะกอคงจะรอเยอะหนูก็เลยก็เลยออกมาแต่ว่าหนูก็ฟังใน y o u t u ู e ตลอดนะคะหลวงพ่อค่ะก็จะไม่ไม่มีอะไรค่ะก็จะกราบสวัสดีปีใหม่หลวงพ่อเจ้าค่ะให้หลวงพ่อให้งแข็งแรงนะคะแล้วก็บุญที่หนู ได้ทํามาหนูก็ขอร่ำน้อมถวายบนนี้แด่หลวงพ่อสุชาติพิชาตโตนะเจ้าคะ่ะขอให้ลหลวงพ่อมีธาตุแขางแข็งแรงเจ้าค<น>่ะเป็น่มโผล่มไสให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะลูกๆหลานหลาน้นเลนด้วยเจ้าคะ่ะบุญใครบุญมันถวยให้ทำไม่ได้หรอกของใครของมันะใครทําใครก็ได้ใครไม่ทําใครก็ไม่ได้นะแล้วก็ แต่ก็ยังมีความสุขที่อยากได้ทำถวายครูบาอาจารย์เจ้าคะ่ะดีถวายแต่มัน<ำ>ไม่ได้หลอกเลากกันเฉยๆคนถวายอาจารย์แล้วอาจารย์มันม า, มนม า, มนมาถึงเ ร, เราก็ที่ไหนมันไม่ถึงเราเลยมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ใจของคุณทำค่ะ ก็ทําก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดนะะเหมือนคนไปทําบุญกลับมาแล้วบอกเอาบุญมาฝากโอ้ยฉวยฝากใครได้อย่างะไรของนี้<อ>ไม่ใช่ไหมถ้าเขาอนุมโมทนาบนุญก็ก็ยังมีส่วนได้รับไหมเจ้าคะ่ะอเขาไม่ได้รับบุญของเราหรอกเขาได้ได้บุญจากที่เขาอนุมโมทนาขึ้นจมยินดีนะนอะไรเงี้ยคนละบุญเงินคนละเรื่องแบบนนะีอ<ๆ> บางคนก็มาโน้มโมทนาเขาก็ไม่ได้บุญครานี้เขาจะชื่นชมเรนี้ก็มันไสหรือว่าอะไรขึ้นมาอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้บุญนะแต่บุญแต่บุญที่เราทํานี่เรามาฝากใครไม่ได้หรอกเรานี้พูดความจริงให้ฟังมันจะได้ไม่ไม่นั่นอันนี้ห้องห้องห้องห้องความจริงไม่ใช่ห้องโปก ก, กกันใช่ค่ะน้องพูใ้ใดเข้าใจ อ, อย่างนี้เราล้มกันไปอย่ หลงกันนะมากมา ก, มากพอแล้วทั้งคมพุทธดาวนี้ทั้งวันนี้อยู่กับความหลงกันอืคอาจจะแบบเข้าใจอะไรผิดผิดอะไรอย่างเนี้ยได้ไม่มีใครสอนไม่มีใครแก่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องจริงไปของจริงไปก็อออพอได้เคยเคยได้อ่านมาบ้างคะ่ะว่าบุญจากการอนุโมทนากับคนอื่นก็จริงๆมันก็ไม่สู้เท่ากับตัวเองทําด้วยตัวเอง มนพลอยาดนะมันเ็นพลอย่างมันเสื้อของเกงมันไม่เหมือนกันเสื้อก็เสื้อเกงงเกงมันไม่ใช่ซื้อเสื้อมาแล้วได้ขางเกงไม่ใช่ใช่ค่ะคุณหลวงพ่อพูดถูกนะคะเพราะว่าบางทีแบบเวลาเราทําบุญโพสต์ในเฟซบุ๊กบางคนอาจจะแบบว่าเออหมันไส้ทําไมแบบเนี่ยคนนี้ทําบุญอะไรนักหนาทำได้ทุกอาทิตย์เข้าวัดเข้าวัดทุกอาทิตย์ทำบุญทุกอาทิตย์ทาทั้งเตือนทั้งปี วันๆก็โพสแต่ทำมะอะไรทําไมวันๆมีอยู่แค่นี้เราเราก็จริงๆวันไม่ง่ายจะมาอวยกันละขอโทษนีคนน่ความดีหนูไม่น้องอวยความดีหนูเก็บไว้ในตัวเราดีกว่าสมหวนเป็นของสงมวนส่วนตัวเราครับก็บางทีก็คือก็จะเป็นโพสต์แบบลับๆคือเวลาคือหนูชอบทําบุนเวลาเวลาพอแบบว่าเราได้ย้อนดูในสิ่งที่เราทําไปก็มีความสุขดีค่ะ คือถ้าเราทำเราทำเพื่อไม่ได้ไปประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ว่าม่เป็นไรหรอกบางทีเราก็มันเท็จไว้เป็นเป็นเ ห, เหตุการณ์วันหนึ่งของเราแต่ก็ไม่ค่อย ม, มีคนมากดหรอกคะ่ะอาจจะเหมือนหลวงพ่อพูดนหมัม่มนไส้ทําบุญนะบางทีก็อาจจะอิจฉาเราก็ได้พ<ม>ูดอิจฉาก็ไม่ได้ทำํำเห็นเราทําแล้วอิจฉาเพ<ม>ราจะไม่ได้บุญความอิจฉาไม่ใช่เป็นบุญ แต่ถ้าการอ่านโมนาเนี่นเป็นบุญอันนี้พูดเปรียบเทียบไว้ฟังไห้หนูก็ค่เฉนเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเก็ตายเอนใจก็ฉยอนขึ้นเาไม่มีฉยเมยคฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยวฉยเฉยเฉยเฉยวยเฉยเฉยเฉยเฉยเกยเฉยเฉยเฉยเฉยะฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเันเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเะยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเเฉ้เฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยเฉเ บางทีแบบพอเราทำอาหารในสิ่งที่เราแบบตอนนี้ที่เราอยากทำเขาก็จะไปพูดแบบอีกแบบหนึง่งเขาก็มีปัญญาทำแค่นี้บอกเราไม่เคยไปว่าใครหนูก็เลยเลือกที่จะ อ, อย่ารู้เลยดีกว่าเขาจะได้ไม่บะเพราะว่าหนูทำด้วยใจบริสุทธิ์อ่าก็เราไม่มีเจตนาที่จะไปบวชไปอะไรนะบางคนทำเพื่ออวดเป็นพ r อารไปเป็นการทำพีอาร์ไป ใช่ใช่เนอะแต่หนว่าไม่รู้จะไปโปรโมทอะไรก็ทำแล้วก็ตัวเองไงตัวเองเป็นคนใจบุญสุนทานแต่รับหลังมันเป็นยังไงการในเรื่องแต่นี่ไม่ไม่ว่านี่ยเดี๋ยาจะหาไปฟังว่าพระเจ้าสอนว่าเราดูอะไรก็ให้สักแต่ว่าดูไปอย่าไปอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงตามก็ดูว่ามันเป็นเป็น ถ้ า, ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจริงอย่างที่เขาว่าก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาเดีย๋ยวจะถูกหลอกได้สมไมนี้คนถูกหลอกกันเนยอะจีิค่ะแต่หนูก็เลือกที่จะทำบุญกับกับพระอริยสงฆ์นะแต่ก็แบบพระรูกอื่นหนูก็ทำเวลาไปตักบาหรืออะไรก็คือครูบาอาจารย์ก็เคยสอนมาว่าก็คือให้นึกถึงว่าเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรเป็นหมดอะไ ร, นะไรหนูก็แปลว่า ตั้งใจที่จะทําแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะน้อมบุญถึงพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตรเจ้าแบบนี้ค่ะก็ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะก็จะน้อมบุญแบบนี้ก่อนทุกครั้งค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าหนูทําถูกไหมแต่ว่าแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าคือมีความสุขทุกครั้งมากๆที่ได้ทําบุญใครจะคิดใครจะคิดอะไรห น, หนูก็ไม่สนใจไม่แคร์ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาเพราะเขา เขาไม่ได้รู้ถึงอินไซต์ของหนูว่าหนูคิดยังไงว่าหนูเคยเคยเจอความพัดภาคมาเนียเป็นสิบสิบปีแบบคนที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขารบมาแบบปีแบบทุกปีติดติดกันอย่างเงี้ยค่ะจนเกือบจะสูญเสียแฟนไปคือมันมันทำให้หนูมีความรู้สึกว่าคือเราต้องปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะว่าความตายมันอยู่ใกล้ตัวมากๆ ม, ม, มันมันไม่ใช่ว่า คือบางคนคิดว่ารอแก่กว่าเข้าวัดมันมันไม่ใช่อ่ะขนาดตอนนี้หนู5้าสิบกว่าแล้วหนูเข้าวัดวันนี้ยังโอดยังโอยและคนที่แบบว่าแก่แล้วเขาจะไหวไหมอะไรอย่างี้ถ้าเกิดเขาคิดแบบนั้นแต่หนูก็ <Okay. S 1> <า>เอาแี้วนะเอาทันทนีแล้วนะนักสการ์ค่ะไปที่กระดูษาต่อนัสการ์ค่ะ yeah, uh, so พระอาจารย์ <c oughs> าง ไ, งไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคําถามค่ะว่าอาจารย์ยมเข้ามาฟังทำค่ะออลูกเข้ามานัมาตรการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังทำค่ะฟังอย่างเดียวนะไม่มีคําถามไม่มีคําพูดนะสาธุค่ะอาจารย์อ า, าจารย์ท่านคุณสารตะกามาฟังทำค่ะพอาจารย์ค่ะปฏิบัติค่ะ เนี๋ยวนี้ ท, ทําำครึ่งชั่วโมงนี้พอไหมดีค่ ะ, ะก็คบสามอย่างพอดีอ่ะค่ะอืได้ได้ได้ทํานั่งนั่งฟังได้ปัญญาแล้วก็ได้นั่งสมาธิอดีครับ ต, ต่างกันไห ม, มระหว่างนั่งสมาธิเองกับเวลาที่ฟังธรรมมันก็ต่างค่ะพระอาจารย์ก็คือถ้าฟังธรรมบางทีก็เหมือนว่ามันก็ เมือเข้าวป้อนเข้าวให้เรากินใช่ไหมแต่เวลานั่งสมาธิเองนี่เราต้องต้องตักข้ากินเองใะไหมใช่ค่ะแต่รู้ว่าดีค่ะวอาจาย์แล้วก็เพราะว่าเราจะใส่การฟังธรรมไปอย่างเดียวไม่พอ <c oughs> ต้องสามารถนั่งสมาธิของเราเองได้โดยไม่ต้องฟังธรรมค่ะค่ะฟังตลอดค่ะฟังทุกวันค่ะแล้วก็กระสวดมากก็สวดมากก็ใส่บาท แล้วก็ฟังธรรมแล้วก็อยู่ข้างในนะคะนั่งสมาธิเวลาฟังธรรเส็จก็นั่งสมาธิต่อตามตามที่นั่งกันนะที่พระอาจารย์เทพอะค่ะอพอพระอาจารย์ปล่อยเวลาให้นั่งก็นั่งจนกระทั่งอาจารเตือนค่ะแล้วก็ฟังฟังปัญหาที่ถามต่อก็ดีค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆได้หลายรุ่นหลายชาตินะค่ะ แล้วก็ฟังฟังจากที่พระอาจารย์เทพฟังจากที่วันอาทิตย์ที่รายการพระอาจารย์กับหมอวีแล้วก็ฟังจากที่ในซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ได้ได้แต่ละคนมันก็จะมีปัญหาแต่ว่าส่วนมากมันก็จะคล้ายๆกันแล้วมันก็เอามาใช้ได้ค่ะประจาใ น, ในรรมะหลากหลายเนี่ยค่ะค่ะค่ะค <Okay. S 1> ่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> คุณแอนตออนนี้อยู่ที่ไหนอ่าพูดได้กราบ น, นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่อยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่เมืองไทยเจ้าค่ะได้กลับมาพักอยู่บ้านสามวันอืเดี๋ยวถ้าสุกวันศุกร์เสาร์ถ้าไม่ตั้งใจว่าถ้าไม่โดนเรียกไปบินก่อนหนูจะไปไปกราบหลวงพ่อไปฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิกับหลวงพ่อเจ้าค่ะอืมเ ห, เห็นเขาบอกว่า เปลี่ยนมาเป็นเป็นนั่งอ่าฟังคำครึ่งชั่วโมงแล้วได้ได้ได้ได้นั่งสมาธิด้วยเลยอยากจะไปที่น้ากุติค่ะก็ดีเราจะได้พักหน่อยเพราะพูดพูดชั่วโมงนังนั่งวนจนเหนื่อยค่ะหนูว่าดีค่ะหนูหนูหนูก็เคยคิดว่าอยากจะมีโอกาสได้นั่งนั่งสมาธิพร้อมหลวงพ่อจังเลยตอนนี้หลวงพ่อลดลงมามาอพูดธรรมะ เทศเทศในครึ่งชั่วโมงแล้วได้นั่งนั่งได้นั่งอ่านั่งสมาธิด้วยกับหลวงพ่อหนูว่าลูกศิษย์น่าจะมีกําลังใจนะคะนนได้นั่งกับครูบาอาจารย์จริงมันไม่เกี่ยวอนะมันอยู่ที่ตัวเราจะนั่งที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะแต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรียนตามตรงคือตอนนี้อาจจะอาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคะลูกศิษย์ลูกศิษย์ษติดครูเหรอครับเวลาได้ได้เห็นหน้าครูบาอาจารย์แล้วมันมีกําลังใจ เด็ยังเด็กยังติดนมแม่อยู่เหมือนกันได้เห็นหน้าพ่อแม่ได้เห็นหน้าครูบาอาจารย์แล้วสึกอุ่นใจจ้ะค่ะเวลานั่งนั่งแล้วมันมันมีกําลังใจยังกินนมยังกินเองไม่ได้น้องอายนมแม่ยังไม่หยานมค่ะแต่ก็พยายามก็ค่ะนี่ก็ก็ถ้าถ้ามีเวลาก็นั่งปฏิบัติที่บ้านด้วยแต่ก็ก็ไม่ได้ทํำอ่าเป็นเป็นประจําอะค่ะก็ถ้าท่านเหนื่อย พอรู้ตัวว่าเหนื่อยนั่งไปก็ไม่ไม่ได้ก็ไม่ฝืนเจ้าค่ะแต่ถ้าวันไหนได้นอนพักผ่อนเต็มที่แล้วแล้วรู้สึกเรารู้ตัวว่าเออนั่งได้ค่ะก็มันก็ก็ปล่อยนั่งไปได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันเจ้าค่ะคก็ควจะฝึกให้มันอยากจะนั่งสมาธิแทนที่ทําอะไรพอว่างปั๊บนั่งสมาธิ ด, ดีกว่าค่ะได้ค่ะหนูจะพยายามเตือนตัวเองตอนนี้ก็พยายามพยายามบอกตัวเองว่าให้ลดลดเล่นมือถือค่ะมันรู้ตัวแล้วว่ามันติด ติดมาก ๆ, ๆเลยว่างปุ๊กไทยว่างปุ๊กไทยตอนนี้ก็พยายามพยายามจะทําอย่างที่หลวงพ่อบอกอะค่ะว่าว่าให้ถ้าจะเล่นมือถือก็ให้หันมานั่งสมาธิอยู่ไม่ก็เปิดธรรมะฟังอ่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวิธีหาความสุขการนั่งสมาธินี่เป็นความสุขที่สะอาดที่ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจก็ตอนนี้ที่ที่หนูเคยเรียนบอกหลวงพ่อว่าอ่าอีกสามปีกว่าก็จะหมดสัญญาใช่ั้มเจ้าคะ S <S แล้ว <S 2> <S 2> ลหนูก็เลยช่วงนี้ก็เลยก็เลยเหมือนเป็นช่วงคิดคิดอะไรเยอะอ่ะค่ะเตรียมตัวว่าว่าถ้าสามปีเราออกจากงานจริงๆคือเราตอนนี้เราก็คือต้องเริ่มเริ่มเก็บเงินเริ่มพยายามเงินประหยัดค่ะเริ่มประหยัดแล้วก็ <S <S <S เ อ, เอทิ้งอะไรได้ตัดอะไรได้ก็พยายามมองพิจารณาร อ, อบตัวค่ะว่าอะไรที่เราเราเร า, เราทิ้งได้แต่ก็ก็ดีนะคะนี่หนูก็ ก็โลบ้านไปเอาของไปบริจาคเอาอะไรไปได้เยอะเลยแล้วก็ได้ทำห้องจากที่เป็นห้องเก็บของแบบเป็นปีเลยค่ะหลวงพ่อตอนนี้คือได้ได้ห้องนอนคืนกลับมาเป็นแบบในบ้านไม่มีห้องเก็บของแล้วมีแต่ห้องห้องใช้ประโยชน์นะอาจจะเป็นนั่งห้องห้องปฏิบัติธราต่อไปก็ได้นะห้องห้องนัางนั่นนะตอนนี้หนูดีใจมากเลยเพราะเหมือนกับว่าหนูมีห้องให้เลือกสองห้อง แล้วมันมันสวยทั้งสองห้องเลยค่ะหนูก็ทําห้องเองอนะเจ้าคะก็ตัดอตกแต่งเองทําอะไรเองพอทําออกมาสวยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันน่าอยู่<ม>ก็ยังมีเพื่อนมีเพื่อนแซวว่า้า50ออกไปแล้วจะไปทําอะไรจะไปไปบวชเหรอหนูบอกว่า <c oughs> คงไม่ถึงขนาดบวชหรอกแต่ว่า<ม>ที่หลวงพ่อบอกค่ะอยู่ที่ไหนถ้ามันเป็นที่สัพยะแล้วเราสบายใจแล้วเราก็อยู่ได้ก็เป็นที่ปฏิบัติได้นะคะไม่ต้องไป <c oughs> บวชก็ได้ ตอนนี้ก็เลยพยายามทําบ้านเตรียมบ้านเตรียมอะไรให้มันเป็นที่ที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจแล้วก็ปฏิบัติได้ค่ะนเนี่ไถ้าเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเราได้บวญแล้วไม่ต้องบวญ ด, ด้วยการโกนหัวหรอกการบ<ว>ุญแท้จริงก็การปฏิบัติธรรมนี่นะค่ะก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงเนี้สามปีเนี่ยค่ะตอนนี้ก็แพลนแล้วก็ค่อยๆทําอะไรให้มันให้มันลงตัวกับตัวเองจะได้แบบ อ, ออกมาแล้วจะได้ไม่ไม่เควง้งแล้วก็ไม่แบบ เขาเรียกอะไรนะคะมีพร้อมที่จะที่จะทําเพื่อตัวเองนะคะหลวงพ่อค่ะพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขค่ะความสุขแบบการปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ต้องใช้เงินทองใช่ไหมค่ะไม่ต้องใช้ร่างกายด้วยความจริงร่างกายจะแก่จะเจ็บจะเป็นอะไรก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อจะน้อมนําคําสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัติเจ้าค่ะ แล้วเดี๋ยวยังไงถ้าถ้าหนูไม่โดนเรียกบินเนี่ยหนูจะไปกราบหลวงพ่อวันเสาร์นะเจ้าค่ะอ่าสารุกเชขอบพระคุณเจค่ะอ่าคนลูกตาลมันก่อนมานั่งสมาธิด้วยเป็นยังไงดีไหมมาสการค่ะมาสการครัอาจารย์ดีค่ะอาจารย์ได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็ได้นั่งสมาธิด้วยค่ะสมกยากไหมตอนนั่งสมาธิไม่ยากเรื่องของหนูก็ยัง ยังยากอยู่ค่ะหนูกำลังพยายามอยู่ค่ะจิตมันดิ่ง น, นะถ้าเราไม่มีอะไรคอยควบคุมให้มันจะดิ่ง น, นะใช่ค่ะมันดิ่งแล้วก็ยังใช้แบบเียงใช้พุทโธไม่ค่อยนิ่งด้วยค่ะแต่ก็พยายามนะคะตอนนี้นั่งทุกคืนเลยค่ะพยายามฝืนไปเรื่อยๆแต่เวลาเราจะควบคุมใจเราได้นั้นจะสบายค่ะพระอาจารย์มีอะไรจะถามไหม พระอาจารย์คะตอนที่ไปนั่งบนเขาอะคะ่ะตอนที่ช่วงจิตมันเริ่มจะสงบเนี่ยมันน้าลายมันออกมาจากไหนไม่ทราบพะมากมายเลยอะค่ะว่านมันไปไม่ต้องไปสนใจมันค่ะให้มันเดี๋ยวเราก็เลือกแล้ว่ครมาเช็ดมาน้างก็ได้ใน<อ> ต, ตอนที่ตอนที่เรานั่งอย่าไปอย่าไปสกลับไปสนใจเรื่องร่างกาย<ช>มันจะทิ้ง ร, ร, ร่างกายแล้ว จ, จิตจะสงบนี่มันจะทิ้งร่างกายเพราะว่าพอพอเหมือนกับพอเราคือพวกเราต้องมาเริ่มต้น นับหนึ่งใหม่เนี่ยใช่ถ้าเรามาเกอน้ําลายใหม่ก็เหมือนการมาเริ่มต้นใหม่ค่ะยิเวลาเราเริ่มภาวนาแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องร่างกายมันจะเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้ก็ปล่อยมันไปให้เราอยู่กับพุทโธแล้ว อ, อยู่กับลงไปเดี๋ยวมันก็หายไปงกต่ายๆตามเดี๋ยวเดินเดินพื่อสภาเดี๋ยขขหนูจะจองจะจองขึ้นไปอีกค่ะอ่าเป็นค้าวที่แล้วเป็นข้างล่างที่ขึ้นไปลองดู ครั้งแรกค่ะที่ขึ้นไปบนเขาแต่ว่าเคยไปที่อื่นแบบอยู่ในกุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันไม่ดีเท่าที่ไปอยู่ที่เขาค่ะอืมเพราะว่าที่นั้นมันสงบมากค่ะไม่มีใครมารบกวนมันเป็นธรรมชาติกว่าเนี่ยนะใช่ค่ะมันมันวิเวกมันอะไรครับมันสปาย่าหมดทุกด้านเลยไม่ว่าเรื่องเรื่องอากาศเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะอากาศมันก็เย็นไมไมค่ะเนี่ค่ะมไม่าหมลยไม่ว่ะไม่ไ้เปิดแล้วก็ เสียงเงาสงบไม่มีเสียงรบกวนเสียงธรรมชาติไม่มีเสียงรถไม่มีอะไรมีเสียงธรรมชาติของนกของลมไม้ที่ลมที่พัดอะค่ะพอพอวันที่สองมันก็จะมีค่ะที่จิตมันเริ่มดื้อเริ่มดื้อหนูก็บอกว่าดื้อนะก็ต้องเดินจงกรมไม่อยากนั่งก็ต้องเดินจงกรมแหนูก็เขี้ยวเขี้ยวกับจิตอะค่ะใช่เข้าพยายามต้องต้องต้องทรมานดิเลตจนถึงยยอมอยางไปตามใจดิเลยะต หนูว่าที่นั่นหนูว่าที่นั่นเหมาะมากเลยค่ะเหมาะกว่าทุกแห่งที่หนูเคยไปมาค่ะถ้าเราปฏิบัติเองงด้แล้วที่อย่างนั้นก็จะดีค่ะถ้ยังปฏิบัติเองไม่ได้ก็จะรู้สึกงงม่าเราทำอะไรวะแต่มันไม่กลัวนะคะพระอาจารย์ไม่ไม่กลัวไม่อะไรอะค่ะมันรู้สึกว่ามันสงบดีแล้วก็พอพอจิตมันจะเผอแล้วก็ภาวนาพุโทโธภาวนาพุโทโธพุโทโธมันก็นั่งอยู่ได้ประมาณครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะอืม ถ้าอยากจะเจอความกลัว่าลองดอนค้ามขาเดือดออกมาเดินข้างนอกดูก็ได้หรือจ ะ, จะกลัวไม่กลัวค่ะคืนที่สองก็รู้สึกว่าจะนอนนอนไม่ค่อยหลับหนูหนูก็เลยนั่งนานถึงตีสองเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะลองดูค่ะว่าจะออกมาเดินไปครั้งหน้าจะล อ, ลองออกมาเดินดูตอนดึกๆค่ะที่ระเบียงอ่ะค่ะ ถ้าที่ถ้าที่ระเบียงไม่กลัวว่าลงมาที่ระเบียงมาเดินตามทางเดินดูก็ได้ลงได้ใช่ไหมคะได้แล้วเราไปส่งเสียงรอบปนกันเลยครับว่าเรากันว่าไปไม่ถ้าไม่ฉายไฟได้ยังดีเลยไม่ฉายไฟปุ๊บป๊ให้พรลูกเห็นทางข้างหน้าแล้วเราปิดไฟอย่าไมปเดี๋ยวเราจะทดสอบดูว่าเราจะกลัวไม่กลัวค่ะ แต่แต่ครั้งก่อนที่หนูเคยไปที่อื่นหนูกลัวต้องเปิดไฟนอแต่อันนี้ไม่ไม่กลัวก็ปิดไฟปกตินั่งสมาธิอยู่ในความมื่อยแค่ะแล้วกลัวก็พงพงยอมตายัามากก็แค่ตายจะได้หายกลัวค่ะก็เดี๋ยวก็จะเนี่ยเดี๋ยวก็จะจองต่อละค่ะนี่โอเคนะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะอาจารย์พรมพิไลอันนี้คู่หูอยู่ปะ ทำนุสกรรมพระอาจารย์ค่ะอยู่ค่ะรอพระอาจารย์อยู่ค่ะกราบนุสกรรพระอาจารย์ครับสบายดีนะสบายดีค่ะพรุ่งนี้จะไปตักบาตค่ะไปกราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็อยากเรียนพระอาจารย์ว่าวันคล้ายวันไม่เกิดปีนี้นะะของตอนเนี่ยทำหนังสือ ธาตุรู้กับขนันห้าถวายพระอาจารย์นะคะแต่เป็นธร<อ>รมทานค่ะพง<อ>เสร็จในเดือนพฤษภาค่ะนี่นำออกไปค่ะได้สาธุการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงน ะ, ะสบับยอ่อดีค่ะสบับดียอ่อเข้าใจง่ายเูาเราเป็นทานรูทานหานทานทั้งห้านี่ค่ะธารดินทานน้ำทานลมทานไฟทานู้ แต่เราเป็นหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาร่างกายที่เราเห็นอยู่นี่ก็ดินน้าลมไฟทําขึ้นมาองแต่งขึ้นมาผสมองแต่งขึ้นมาเป็นเป็นอาการ32ส่วนท่านรู้ก็คือใจเข้ามาครอบนามันมาควบคุมบังคับสั่งการใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆไปจนกว่าร่างกายจะรับคําสั่งไม่ไหวก็ต้องไม่บายยากกันไปเวลาดทาง ก็มีท่านี้ะการรวมตัวของธาตุทั้งห้าแล้วก็การแยกตัวกันเมื่อถึงเวลาตายธาตุทั้งห้าก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางแล้วเด็ก็ไปรวมตัวใหม่ในร่างกายอันหม่ก็ให้เว้นว่ายตายเกิดนี่ะก็คือการรวมตัวการแยกตัวของธาตุทั้งห้านี้ก็จะพยายามปฏิบัติให้ไม่ต้องไปรวมตัวออีกครั้งหนึ่งค่ะอย่าไปรวมตัวค่ะ ลุงแมันยุ่งเห็นไหมเนี่ยมาเกิดมันยุ่งจะตายไหมปัญหาเต็มไปหมดเลยยิ่งแก่ยิ่งยุ่งค่ะเพราะว่ามันเจ็บป่วยตามมาใช่ค่ ะ, ะหมอที่ก็ใช้เวลา น, านานมากเลยเงี้ยะะต้องไปโกนคน น, นนุ้นคนนี้หมอก็วุ่นไปกันเราด้วยยิ่งตัวเองก็ไม่ได้ต้องาอาศยลูกๆอาศัยคน น, นนั่นคนนี้ใช่พรุ่งนี้ลูก ก, ลก็ลูกชายพาไปค่ ะ, ะลูกชายอยากจะไปกราบพระอาจารย์อันนี้ เขาจะได้มีโอกาสได้เข้าวัดด้วยจะได้ิมทราธรรมะเที่ยวเลกเทียวน้อยกลับมาจากเทียวว่าถามว่าพ่อพ่อไม่ไหลไปเดี๋ยวนี้ติดกันแล้วค่ะทุกคนดันถามทีวันนี้ถามทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ไหมคะหกโมงน่นมินดาบสิบนาทีก่อน6งเมง เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันสว่างช้ากว่าจะเสร็จก็ประมาณหกโมงครึ่งอะประมาณประมาณประมาณชั่วโมงค่ะจะดีที่ไปตักบาตรประจำนี้ประมาณหกโมงครึ่งได้ใช่ไหมคะง่ายได้เพราะว่ากว่าจะเสร็จก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเจดโมงอ่าชั่วโมงนี้ก็ประมาณงั้นเดี๋ยวออกเร็วอีกนิดจะได้ไม่ไม่ทันเข้ามาที่ศาลาแทนก็ได้ไปไปศาลาอยู่แล้วด้วย ก็อยากทำทั้งสองอย่างพร้อมกันเดจะเร่งไปให้ทันค่ะนี่ได้เผยความเพียรได้ตัวทั้งใจไปทั้งสองที่โอเคไว้เจอกันนะค่ะค่ะมาสักการณ์ค่ะอาจารย์อาจารย์อ่าจุ๊บโกเบในวัฒนการอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไง ะดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดถึงธาตุรู้ขันห้าหนูเลยมีคำถามขึ้นมาเจ้าค่ะพระอาจารย์อืในในขันห้าเราเนี่ยมันมีเอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะธาตุรู้กับวิญญาณนะคะมันคล้ายๆกันมันเป็นมันมันต่างกันยังไงอ่ะเจ้าค่ะอืเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันอยู่ในธาตุรู้ไง Uh, รูปนี้รูปประทันนี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำุมไฟ mm hmm. แล้วส่วนเวทนาสัญญาสังการวิญญาณก็อยู่ในธาตุรู mm ้ธ hmm. าตุรู้เป็นความสามารถของธาตุรู้ธาตุรู้นี้สามารถมีความรู้สึกนึกคิดสามารถรับรูปเสียงกินรจกักตาหูจมูกเย้นกายของร่างกายได้ก็คือ คือธาตุสี่ธาตุสี่ก็ดินน้ําลมไฟก็เป็นร่างกายธาตรู้ก็เป็นจิตใจเป็นเหมือนเหมือนเป็นโทรศัพท์สองเครื่องธานรู้ธาตุธาตุสี่ดินน้ําลมไฟคือร่างกายเป็นเครื่องหนึ่งรูปปัจฉันนี่เป็นเครื่องอีก เ, เครื่องก็คือใจก็คือท่านรู้แล้วธานรู้นี่สามารถส่งกระแสมารับรูปเสียงกลิ่นรสที่ ท, ที่ร่างกายไปรับมาอีกทีหนึ่ง เราสามารถสั่งส่งคําสั่งมาให้ให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสมมติตโทรศัพท์มือถือสองเครื่องหรือเครื่องเครื่องรีโมทกับคนเรื่องเครื่องรีโมทกับเครื่องที่รับคําสั่งจากรีโมทเนี่ยอย่างจอทีวีกับเครื่องรีโมทเนี่ยเรากดปุ่มเปลี่ยนช่องได้ใช่ไหมใช่ค่ะใจนี่เป็นเหมือนเครื่องรีโมทน้าาดูนี่เป็นเหมือนเครื่องรีโมทคอยคอยสั่งให้ร่างกายเดินยืนนั่งนอนแล้วก็คอยรับรูปเสียงกลิ่นลมมาจาก อย่างร่างกายบางทีเนี่ยเจ้าค่ะเข้าใจแล้ ว, ลวมีที่นี้พวกเราทั้งหมดก็ทำมาจากธาตุทั้งห้าธาตุสี่คือร่างกายธาตุรู้คือใจเนี่ยแล้วเดี๋ยวเวลาธาตุสี่ร่างกายมันมันมันย่อยฉลายมันแยกตัวไปร่างกายก็หายไปธาตุรู้ที่มันมันติดตากับ ่าตสี่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็ไปหาธาตุใหม่ธาตุสีร่างกายอันไหม่ไปติดต่อใหม่ทีนึง้วค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆ เ, เป็นธาตุสี่ดินน้ำลงไฟไปเรื่อยๆตัว่านรู้เองมันไม่มันมันไม่ได้แยกตัวเพราะมันเป็นเป็นธาตุเดียวมันไม่แยก เ, เยยกจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเราจะขอะอาจารย์ ถ้าสมมติว่าร่างกายที่ทํามาจากเพียงธาตุเดียวคือธาตุดินเนี่ยมันก็สมมุตินะสมมุติมันก็จะไม่มีวันตายธาตุดินมันก็เป็นธาตุดินของมันอยู่เรื่อยๆธาตุน้ําก็เป็นธาตุน้ำอยู่เรื่อยๆธาตุลมก็เป็นธาตุลมอยู่เรื่อยๆธาตุไฟมันก็เป็นธาตุไฟของมันแต่พอมันรวมตัวกันมันก็กลายเป็นอาการสาวทีสองขึ้นมากลายเป็นร่างกายขึ้นมาเมื่อมันรวมตัวกัน้ด้มันก็ต้องแยกตัวกันได้มันเป็นธรรมชาติมันกฎของธรรมชาติ สิ่งใดมีการรวมตัวกันสิ่งนั้นก็ต้องมีการแยกตัวกันเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาแต่ถ้าตุรู้นี้คือไม่ใช่ไหมจ๊ะธาตรู้มันไม่ได้รวมตัวกับใครมันก็อยู่มันต่อไปธาดินน้ำไฟมันก็มันก็ไม่ได้หายไปไหนะมันก็แยกไป้าตดินมันก็แยกออกไปจากร่างกายธาน้ำมันก็มันก็แยกออกไปร่างกายก็กลายเป็นก็เหลือแต่ มันไม่มีอะไรเหลือเพราะเมื่อท่าทั้งสี่แยกออกไปเหมือนสี่คนมาตั้งบริษัทเนี้ตั้งบริษัทขายของแล้ววันหนึ่งก็ปิดบริษัทตั้งสี่คนก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางบริษัทที่เราตั้งไว้มันก็หายไปใช่ไหมร่างกายเราเนี้เป็นเหมือนบริษัทผู้ร่วมทุนก็นมีสี่สี่ละสี่สี่สี่หุ้นด้วยกันคือดินน้ำลมไปมาร่วมทุนกันมาตั้งบริษัท ต, ตั้งร่างกายนี้ขึ้นมา แล้วพอราา่างกายทะลอะกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันไปปิดบริษัทไปอย่างนี้หรือเปล่ า, จาเจ้าคะที่ที่เขาว่าเราพวกเราเกิดมากันเนี่ยเพื่อมาพัฒนาท่ารู้ให้ให้ดียงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือตอนนี้ท่ารู้มันหนงไ ง, ม, ม, ง, งมันชอบไปยุ่งมันชอบไปยุ่งกับท่าสีเนี่ย แล้วเราเสียใจเวลาทาสีมันมันมันยุคตัวลงมันมันแยกตัวกันเราก็ร้องโหม่ร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันพอเราหลงเราอาศัยทาตาสีนี้ที่มาเป็นร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขกันไงพอมีร่างกายเราก็ได้ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเสพอะไรได้เราเติดไงต็มรูปเสียงกลินเล้เติดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นเล เหมือนติดเหมือนติดเหมือนติดกัญชาเนี่ยอัญยศุกัญชาก็ต้องมีบ้องกัญชางานกายก็เป็นบ้องกัญชาแล้วอย่างนี้ถ้ารู้ของพระอรหันต์นี่คือจะเป็นยังไงแล้วคะก็ก็รู้ทันไงก็ไม่หลงไงก็เลิกเสพรู้เสียงกินแล้วรู้ว่ามันเาเสพติดพอไม่เสพยาเสติก็ไม่ต้องมีร่างกายพอไม่พอไม่สู่กัญชาก็ไม่ต้องมีบ้องกัญชาใช่ไหมเจ้าค่ะ พร เ, เรายัางติดอยู่ใช่ไห ม, ไมยังติดรูปเสียงกินแล้วอยู่อยากดูอยากฟังอยากกินกาแฟอยากดิมนู่นดื่มนั่กินนู่นกิน น, นี่ก็แบบอันนี้แหละปัญญาเสพติดทั้งนั้นอ่ะพอไม่ได้กินแล้วมันเป็นยังรงแดงรู้สึกเป็นยังไงเวลามันลงแดงนี่ใครกินกาแฟทุกวันนี่ถ้าเกิดไม่ได้กินสักวันรู้สึกยังไงเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไปไปเที่ยวพอมาถึงเวลาไม่ได้ไปเที่ยวเป็นยังไงต้องอยู่บ้านเนี่ย เบอร์ขึ้นมาใช่ไหมเจ้าค่ะเรายัางติดพวกนี้อยู่ต้องเลิกติดเใช่ไหเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการติดรูปเสียงอินแล้วบมาติดสมาธิแทนมาฝึกสมาธิแทนพอฝึกสมาธิได้นะเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติแทนสติเป็นตัวที่ทําให้ใจสงบไม่ใช่ร่างกายน่างกายนั่งเฉยๆไม่ได้ใช้ร่างกายทําอะไรเจ้าค่ะถ้าเรา ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ไม่รู้วิธีที่เราจะเลิกยาเสพติดคือเลิกเลิกติดกับรูปเสียงกลิ่นรสติดกับร่างกายเดียค่ะเราไม่ต้องมีพระพุทธเจา้ามีผ้าอะไมาสอนเราว่าเอาไนี้อย่าไปเที่ยาไปกินไม่เดิมไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนะให้ไปเข้าวาดัดไปฝึกสตินั่งสมาธิกันนาความสุขจากการทําใจให้สงบ แล้วเราตายไปได้เลือกไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นร้อนมันไม่เสพรูปเสียงกลิ่นร้อนก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมีร่างกายก็มีแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้มันเนี่ยเกิดมาเพื่อมาสอนท่านรู้เนี่ยให้เลือกเสพยาเสพติดพอนี้ท่านรูเน้เป็นเป็นไหนคนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลิ่นร้อเรื่องการมาตัญหาเไย ใช่ไหมค่ะ <Okay. S 1> ต้องอยู่แบบนั่งป่วยให้ได้ไม่ต้องเสพอะไรมันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปจ้่ค่ะทําได้ไหมจะพยายามเจ้าค่ะไม่ไม่น่าจะยากหรอกนะถ้าเลิก เ, ลกเสิกเสพอย่างเช่นเดือดกาแฟก็ไม่เดือดถ้าหิวน้ําก็ดือดน้ําเปล่าไปแทนไม่ต้องเห็นต้องเดือดกาแฟไม่ต้องเดือมน้ําชาเลย เราติดรูปเสียงกินรสของกาแฟของน้ำชาของเครื่องดื่มต่างๆแต่ความจริงร่างกายมันต้องการน้ำเปล่าๆนั่นเรไม่ต้องการรูปเสียงกินรสของน้ำที่มันที่เราเสพไอตัวที่ต้องการเสพรูปรูปเสียงกินรสก็คือใจแต่ตัวที่ต้องการน้ำก็คือร่างกายนี่เราก็เลยอ้างว่าเออต้องจินนู่นดื่มนั่นดื่มนี้ให้ร่างกายความจริงร่างกายไม่ต้องการบางที เป็นพิษต่อร่างกายเห็นด้วยซ้ำไปใช่ไหมจริงจาค่ะเห็นด้วยเจ้าค่ะพยายามอยู่แบบไม่ต้องเส็บวิธีก็คือกินอาหาร ม, านมันละมื้อเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วพอแล้วเดือดในน้ำเปล่าไปอันนี่ก็ตัดไปได้ต้องเยอะแล้วเชื่อไหมลองทําดูเลยแล้วค่ะอต่อมาก็ตัดมือถือไปอย่าดูอะไรนอกจากใช้ทําธุระ อะไรเทนั้นเองถ้าไม่ใช่เรื่องธุระเรื่องจำเป็นมันก็ตัดไปเปิดเครื่องไม่ต้องเปิดดูก็ตัดตไปได้ตรองเยอะเพราะจ้าคะแต่สมัยนี้มือถือมันมันมีทั้งคุณทั้งโทษเพราะนั่นเลยใช่มันเป็นคุณแต่อย่าไปใช้มันเป็นโทษเนยบางคุณก็ใช้เป็นทางธุรกิจใช้ทางเรื่องศึกษ า, การงานอ่าศึกษาธรรมะอะไรอยไปนั่งดูละครนัองราทําเพลงอะไรอย่างงี้ย เจ้าค่ะทำได้ไหมลองทํำดูเลยนค่ะไม่ยากหรือไงอยู่ที่ใจกําลังใจตัวเดียวนะค่ะต้องเห็นต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เวลาไปติดนะนะมันตุนทุกข์เวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันนุตซอยหน่อยเงานุติดอาจารย์เจ้าค่ะไม่เป็นไรถ้าติดทำมากไม่เป็นไรติดได้ค่ะอืม หนูค่ะขอบพระคุณ ต, าาติดแล้วต้องติดแล้วต้องทำตามด้วยไม่ใช่ติดเฉเฉยติดแต่รูปของอาจารย์ไม่ดีต้องติดแต่คําสอนอย่างนี้ดีแล้วติดคําสอนมีหนึ่งที่หนูเข้าไปดูเพจของพระอาจารย์สมัยที่อยู่บนเขาแล้วเหมือนกับมีใครเข้าไปถามพระอาจารย์ว่ามาขอมาขอให้ให้ให้ให้พระอาจารย์ช่วยอวยพรให้เขาแข็งแรงแล้วพระอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าตัวเรายัง เราตัวเรายังไออยู่เลยตัวเรายังแบบป่วยป่วยได้อยู่เลยแล้วจะให้คนอื่นแข็งแรงได้ยังไงหนูชอบมากเลยครัแบบนั่นหนูบอกอถึงใจดีจริงๆค่ะเป็นจริงๆอ่ะร่างกายสุขภาพร่างกายมันเป็นนักตายบางทีเราก็ควบคุมบางครั้มันไม่ได้ <c oughs> เราก็ทําให้ดีที่สุดเท่า น, นั้นอ่ะ <c oughs> อย่างน้นยเราก็อย่าไปทําลายมาันอย่าไปอย่าไปเอาของเป็นพิ้เป็นภัยให้กับร่างกาย อย่าไปสบบุหรี่อย่าไปกินหล้าอะไรพวกนี้มันจะช่วยมันก็ช่วยให้สุขภาพร่ า, างกายแข็งแรงขึ้นตรงเยอะแยะ<ช>อย่าไปกินของหวานหวานมากเกินไปเนีของมันมันมากเกินไปของวก น, นี้มันเป็นพิษเป็นภยัยต่อร่างกาย ถ, าถ้าเกินถ้ามันมากเกินไป<ช>นะพยายามนะตัดพยายามตัดกิเลสมากเกิดั้งนี้เพื่อมันตัดกิเลสจะได้ไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าจะมาก็ไม่กลับมาเกิดแล้วแต่ไม่ทําอะไรอะไรยังเลี้ยงกิเลสอยู่มันยั ง, ยงต้องกลับมาเกิดอดีดเราเกิดมาเพื่อพัฒนาธาตุรู้ใช่ไหมเจ้าคะเกิดมาเพื่อตัดกิเลสไหมคะพัฒนาธาตุรู้ง่ายธาตุรู้ว่าหน้าที่ของธาตุรู้ตอนนี้ก็คือเลิกเสพเลิกเสียอยาเสพติดทุกชนิดลิกเสียงกินเลิกทุกชนิดค่ะ เวลาอย า, ยากจะเสพรูปเสียงกินวัตถิลอยก็ไปเสพสมาธิแทนเปลี่ยนวิธีเสพความสุขอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไปนั่งสมาธิแทนอยากจะไปกินไปดื่มอะไรที่ยังไม่จําเป็นจะต้องกินต้องเดื่มก็ไปนั่งสมาธิแทนต่อไปเราก็เริกไดเกเก้เลิกติดพวกรูปเสียงกินวัตได้กขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคนะ ค่ะคุณหมอภาสนาต่ออันนี้ไม่ติดอะไรใช่ไหมคุณหมอมีอะไรติดไหมไม่ติดไม่ไม่ติดนะไม่ไม่ติดค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามาอยู่ได้เองอยู่เองได้พระอาจารย์แต่ว่าถ้าถ้ามีมีอย่างพระอาจารย์ฟังอ่ะมันก็ทําให้เราเราก็ยังชอบแต่ว่าถามว่าไม่ถ้าไม่มีเราก็เราก็พยายามทาเองพระอาจารย์เพราะเข้าใจว่าต้องไม่ติด ให้ติดธรรมให้ติดธรรมะธรรมะต้องติดธรรมะเป็นสารณะเป็นเทพเพื่อของใจอย่าไปติดตัวบุคคลบุคคลเป็นบุรุษภปเสนีเอาส่งจดหมายมาให้เราเรารับต่จดหมายก็รับข้อความจากพระพุทธเจ้า ไม่ไม่ติดแต่ว่าก็รู้สึกเป็นบุญคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ทําให้เข้าใจทําให้ปฏิบัติได้อ่ะถ้าไม่มีพระอาจารย์ก็คงได้เกิดอีกร้านร้านชาเลยพระอาจารย์เพราต้องเราต้องยังยังยังพึ่งตวเองไม่ได้เราก็ต้องเพิ่งครูบาอาจารย์ไปก่อนก็ยังก็ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็ยังสงบนะคะพระอาจารย์ก็ทําทางโลกไปก็สงบก็รู้ว่าเออต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างปฏิบัติตลอดนะพระอาจารย์ศีลแปดตรงขวัญเนี่ยก็ทําตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็ยังนอนพื้นเลยคือแบบ มันสบายแต่ว่าอาจารย์รู้เลยว่ามันไม่ติดอะไรนี่มันดีมากไปไหนสบายมากเลยอยังไม่ติดโน้ตเสียงกินรถนะติดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แต่ยังไม่ติดโล้ตเสียงกินรถเพราะว่าพอเราล้ว่าโดนหลอกมันก็เลยพมันก็เลยรู้เลยว่าเออมันโดนหลอกมาตลอดเลยไอ้โน้เสียงกินรถ้เริ่มเข้าใจว่าไม่ติดแล้วอาจารย์แล้วรู้สึกว่าสงบอ่ะมันดีมากๆเลยพระอาจารย์มันใจมันสงบมันดีมากก็ตั้งใจทำนะพระอาจารย์มีกำลังใจปฏิบัติ แรงก็เยอะด้วยพระอาจารย์ก็ทําทําทั้งโลกแล้วก็ทำทางธารมด้วยแรงเยอะอยู่ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันจันทร์จานทร์หลืออังคารจะพาทั้งคุณพ่อทั้งลูกชายไปกราบนะคะมาอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ทําลูกชายต้องทำเอกสารทําอะไรเยอะแยะเลยค<ม>่ะเดี๋ยววัน ว, วันอังคารไปกราบโอเคสาธุคุณมาลีเย็นคุณมาลีตื่นด้วเสียงกินด้วยไหมนึกไม่ตืนะ่แล้วได้ไห ม, ไ ด, ไ, หมได้หมดแล้วยังตาผก็อ้าค่ะ ลดได้เยอะแล้วค่ะลดไปเยอะแ้นะโอเคเอาเท่าที่จําเป็นเราไม่ยังไงมันถึกินเดิมนี่กินเท่าที่จําเป็นจะกินจะเดิมไม่ได้กินด้ยวดดยวความอยาไม่มีไม่มีเลยค่ะหลวงพ่อกินแค่แค่ให้ร่างกายมันฝันชุ่ก็พอแล้วอ่าอืมดีอ่าใเวลานั้นก็ไม่น้องกินลนะ นอนมังเนยไม่กินแล้วหลังจากที่ให้อาหารน่างกายพอแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วคะมีบางทีอาจจะมีกล้วยหึงใบอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อทำไมต้องกล้วยหรืองใบทำไมกินทีเดียวพร้อมกันไม่ได้มันแบบผลไม้บางทีวันก็ไม่ได้คือมันมันกินน้อยค่อก็กินตอนที่กินข้าวเป็งทีเดียวให้มันครบช่ชุดไปไม่ได้ทาไมต้องกักไว้อนึ่งใบไม่ทีเดียวทีเดียวก็อย่างสมมติกินข้าวก็ มีกล้วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันหนึ่งเปใบอะไรอให้มันแบบให้มันเป็นรอบเดียวรอบเดียวเป็นอะไรกินจุกจิกเยอะกินจุกจิกนี่แสดงว่ากินด้วยความอยากกินอยากมากถ้ากินแบบกินยาเนี่กินมันหนึเดียวแล้วกินยากินเข้าไปทีเดียวใช่ไหมไม่ใช่แบ่งยาเป็นหั่นมาเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนๆเพราะกินชิ้นเดียวส่วนนี้่แล้วพอดีช่วงช่วงลูกปิดเทอมเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ไม่ต้องกินข้าว ก็ไม่ลองกินข้าวกินแค่ช่วงเช้าพอค่ะแล้วนี้เสียงเวลาไม่สบายเลยมันไออะค่ะไอใช่ไอค่ะแต่ไม่ได้มีไข้อะไรนะแต่ว่ายังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วที่หลวงพ่อเปลี่ยนวันที่ว่าเทศนะคะหลวงพ่อหนูว่าดีมากมาค่ะที่เทศหลวงพ่อเทศครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช่ค่ะก็ พอรู้เรื่องก็พอแล้วมันยาวๆค่ะแล้วพอพอนั่งสมาธิหนูว่าฟังหนูข้างนอกหนูก็นักเลย<อ>ดีดีค่ะหลวงพ่อืแบบดีมากค่ะดีจะ ไ, ได้ทํานี้ต่อไปได้เราก็จะได้มีมีเวล า, าพักมีอะไรเราทั้งกายพักทั้งจิตไปในตัวเลยค่ะแล้วที่หลวงพบอกว่ามีติดอะไรไหมหนูหนูจะมีติดตรงที่ว่าพอหนูปฏิบัติแล้วอะ่ะหลวงพ่ ถ้าถ้าหนูไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันติดอะไรเงี้ยหนูจะมามาถามหนูพ่อก็คือใช้โทรศัพท์หรือว่าไปเปิดท ร, รมาฟังอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้อย่างอย่างวันนี้หนูฟังมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าบอกถ้าเรามาพิจารณายังไย ไ, ไปคือไ ม, ไม่ดีมนะั้งถ้าเราเอารู้สึกไปจับตรง ตรงขมขนเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อความรู้สึกมันจับไม่ได้มันก็แปลว่าเราไม่มีในนั้นจริงจริงเคะงพมันเห็นจราที่ตาสะเทีกอุบาสกสอมันก็เลยให้ควรที่จะไปยึดว่ามันเป็นของเรามเมฆธาตุดินดส่วนใหญ่ผมมันก็เป็นธาตุดินคือเล็ฟันนี้เป็นธาตุดินเทนั้นเค่ะ ที่บอกว่ามันเป็นเราจริงหรือเปล่าถ้าเราเอาหนูสึกไ ป, ไปจับที่ผมสักเส้นนึไรเนี้ยเราก็จับไม่ได้มันแปลว่ามันไม่มีไม่มีเราอยู่ในนั้นเราตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือแบบเราก็ยังเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ตมันมันแต่ว่าถ้าเราเิ่งจากสมาธิแล้วอ่ะแล้วเรามาดูความเป็นจริงมันก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่ามันไม่มันไม่ใช่เรามันไม่มีเรา แล้วเขาก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่เป็นเขาเอ็มาฟังเทศเรเป็นเราไมตัวเองว่าเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราใช่หลงพอพอปฏิบัติแล้วเราก็มาฟังเทศตาฟังครูบ้านแังอยงที่มันม น, มนแบบความจรจิงมังนชนกะันแบบนี้คะมันก็เลยเข้าทปข้างในจิตใจมาแก้ความหลงไงว่าเราหลงกันจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราโดยไม่มีมูลนายเลย แต่ความคิดทั้งเองเสียง <c oughs> <c oughs> สัญญาณของคุณมาลีไม่ค่อยดีเลยขาดก า, าหร ห, ห<อ>ายทันนี้ก่อนแล้วกันนะทอนนี้ก่อนแล้ว อ, อบคุณหลวงพ่อ ม, มากมากค่ ะ, ะดะูคุณแนมตออุดานทานดียังไงติดอะไรไหมเติด้วยเสียงกินรถยังติดอยู่เปล่า น้องก้าวมาสแกนอาจารย์ไม่ติดแล้วค่ะไม่ต okay. ิดน่าเค่ะมีแต่อะไรก็ได้ค่ะใสยู่แต่แต่ไม่ติดไม่ติดทำมาค่ะอ่าแล้วก็แต่ก็ฟังก็ได้แต่คือถ้าถ้าไม่ได้ฟังทำมาก็ไม่ทูกค่ะแต่ก็ไม่ไปดูอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะไม่ดูะไม่ดูละครไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไม่ค่ะไม่อันนี้ไม่ติดเลยไม่เคยไม่ใส่ชอบดาราคนไหนเลยค่ะ ชอบแต่พระอาจารย์แต่พระอาจารย์คือตื่นเต้นตลอดเลยเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องแปลกมากค่ะแบบเกิดมาไม่เคยตื่นเต้นกับใครเลยนะคะแต่ยังคงตื่นเต้นกับพระอาจารย์องค์เดียวนลยค่ะต้องแบบแบบเคารพพระอาจารย์มากเลยจ้าลูไม่เคยแบบชอบดาราเลยนะคะไม่ชอบเลยค่ะมองเขาเป็นก็เป็นเหมือนคนธรรมดาไม่ไม่เคยชอบดาราเลยค่ะแต่พระอาจารย์คือคนที่แบบ ลูกเคารพแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอพระอาจารย์ทุกครั้งเลยเจ้าค่ะแล้วก็อยากกล่าวเป็ยนพระอาจารย์ว่าเวลามีเรื่องที่เราท้อบ้างอะไรเงี้ยค่ะสู้กับกิเลสไม่ได้ลูกก็จะท่องขึ้นมาเลยว่าถ้าชาตินี้เธอยังยอมแพ้ชาติหน้าเธอไม่ได้เจอพระอาจารย์แล้วนะมันจะปฏิบัติยากกว่า น, นี้อีกนะอะไรเงี้ยลูกก็เลยลุกสู้ขึ้นมาแบบสู้ไม่ถอยเลยค่ะตอนนี้ก็คือแบบ ก็ชนะทุกครั้งเลยนะคะพระอาจารย์เข้าเข้าสูมาสี่ปีนี้ลูกขาดแค่สี่ครั้งนะจะคะลูกแบบตั้งใจมากๆเลยเจ้าคะาา่ะพระอาจารย์ดีมาก <laughs> ก็เห็นผลมากๆค่ะน่าจะมอบรางวัลตุ๊กตาทองให้ได้สาธุเจ้าค่ะขอบคุณค่ะมีพระอาจารย์เป็นหลักใจสุดๆเลยจ้าค่ะแต่แต่ลูกก็ได้หลักแล้วนะคะแต่ว่าก็มีพระอาจารย์เป็นผู้นําทางที่ ที่สุดๆเลยจ้าค่ะพระอาจารย์ในที่สุดแลย์เราต้องเป็นที่พึ่งของตนเองนะใช่เจ้ค่ะเรื่องนก็ใส่กูบาอาจารย์ไปก่อนใช่ใชอันนี้ใ่อนนี้เจ้าค่ะต่อไปเราก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้ใช่เจ้าค่ะแต่ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะคุณมิสาต่อคุณมิสาตรงนี้ไม่รู้พูดเลยรได้เท่แบบนี้ สาาาิาีกรคะพรอาจารย์ค่ะไม่ไงมีอะไรไหมคะไม่มีค่ะลูกก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะก็สารภาพว่าติดห้องซูมคต้องมาเจอหน้าพรอาจารย์ค่ะ แ, แล้วเราเพื่อนคนไทยที่รู้จักในอที่สนใจเรื่องทางนี้บ้างไหมก็ไม่ค่อยมีนะคะพรอาจารย์ที่นี่เขาจะบอกค่อนข้างทํางา น, น่ะต่างคนต่างทํางานค้งเงินหาทางเงินใช่วนงานค่ะพระอาจารย์แล้วก็ แต่เคยเคยมีคนถามเรื่องห้องเขาอยากจะเข้าห้องซูมแต่ว่าเพราะว่าที่นี่มันมันเช้าอ่ะค่ะคอาจารย์ก<ม>็คือช่วงเช้าอะไรเงี้ยเขาคงแบบทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยตื่นไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะอ<ม> า, าจารย์ใครที่จะเข้ามาห้องนี้ได้ก็ต้องมีความพยายามพอสมควรนะความตั้งใจค่ะอาจารย์ความสนใจด้วยนะค่ะอาจาร ย, าาารย์แล้วก็ ถ้าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ไม่ใช่เดย์ไลฟ์เซเวมันก็จะเป็นตีห้าอะไรเงี้ยค่ะลูกก็เข้าใจว่าบางท่านเขาก็ต้องทำงานตื่นแบบส่วนใหญ่ที่นี่ทำงานแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยกันนะคะก็เลิกดึกเที่ยงคืนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็มีคนตามแบบอยู่ตามหรแบบถึงว่าดูย้อนหลังก็เยอะค่ะพระอาจารย์หลายคนตรียมงชอบทำบุญกันอยู่ ค่ะพระอาจารย์ที่<ช>วัดก็ที่นี่มีวัดเดียวแล้วก็ทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็ไปกันเยอะค่ะพระอาจารย์วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะค่ ะ, คะส่วนลูกก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรเดี๋ยวชีวิตก็แบบ อ, อะไรก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ติดอะไรเลยพิจารณาเป็นตายนักมากไม่เที่ยงของชั่วคราวค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างเป็น ไม่ไม่เป็นเหมือนเป็นละครนะคะพระอาจารย์ทุกอย่างไม่มีเที่ยงแท้แน่นอนค่ะพระอาจารย์แล้งก็เป็นเราก็เป็นเพลงแต่ตัวละครตัวหนึ่งมีการเป็นผู้กำกับบนค่ะพระอาจารย์ก็เวลามีอะไรลุขึ้นมาตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรลูกก็คิดเออมันก็คือทุกอย่างมันก็เป็นสมบุติทั้งนั้นเลยค่ะพระอาจารย์เป็นบทละครเราเป็นค่ะพระอาจารย์ก็เป็นไปตามบทไป ค่ะอย่างตอนนี้ที่แบบวุ่นวายเรื่องภาษีเรื่อง เ, อเกี่ยวกับชาลิฟเกี่ยวกับแบบวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องดอลล่าเสื่อมค่าอะไรเงี้ยลูกก็ฟังฟังแล้วลูกก็มานั่งคิดนี่มันเป็นเรื่องสมบุตนินะเนี่ยคนเรามันสมบุญว่าไอ้นั่นมีค่าอ้นี่มีค่าทองมีค่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็ขึ้นขึ้นลงลงของมันค่ะอาจารย์ก็ เพราะว่าได้รับคําสอนจากพระอาจารย์เนี่ยค่ะพระอาจารย์น<ม>ั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราค่ะพระอาจารย์และลูกก็สนับสนุนอีกเสียงหนึ่งนะคะพระอาจารย์ว่าเวลาที่พระที่พระอาจารย์เปลี่ยนเป็นเทศครึ<ม>่งชั่วโมงอะค่ะที่เทศครึ่งชั่วโมงเราต่อ ด, ด้วยนั่งสมาธินี่ลูกว่าดีอะค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นที่เอาีกี่โมงอ่ะหรืว่า อ๋อลูกไม่ทันค่ะพระอาจารย์าารยตอนนั้นค่ะ <ขา S 2> เป็ น, นดูย้อนหลังดูย้อนหลังค่ ะ, คะพระอาจารย์วันนั้นดูย้อนหลั ง, ลงอ้าวเปลียนนั่งสมาธิลูกก็เลยนั่งเลยก็เลยคิดเออดีค่ะพระอาจารย์เพราะแต่ก่อนตอนที่ลูกเริ่มเริ่มปฏิบัติใหม่ๆลูกก็ฟังพระอาจารย์เทศก่อนนะคะไม่งั้นมันจะต้องคือมันต้องการความสงบก่อนนะคะพระอาจารย์แล้วค่อยนั่งสมาธิแล้วง่าความคิดต่างๆให้น้อยลงไปก่อนค่ะพระอาจารย์ช่วยได้มากๆค่ะพระอาจารย์รวด ต่อไปน่าจะมีลู้ศิษย์ลูกหาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะบางบางท่านเขาอยากแบบมานั่งสมาธิกับพาอาจารย์นะคะจะหันั่งสมาธิกันค่ะก<า> <shorter. S 1> ็ดีค่ะดีค่ะพรอาจารย์ก็ดูดูทางท่านทางยูทูก็ได้นั่งนั่งนั่งเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้ค่ะอาจารย์ดีก็ค่ะก็ไม่พยายามแบบที่พัด น้องนาคำสั่งสอนพระอาจารย์ไม่ติดอะไรค่ะพระอาจารย์อืติดธรรมะอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้แบบจะทานอะไรหรือว่าจะิดทานทําอะไรทานก็แบบง่ายๆคะ<ม>่ะพระอาจารย์แต่ก่อนน้องแบบอย่างเดี๋ยวนี้ลูกไม่กินแบบไข่นี่ลูกจะกินแต่ไข่ต้มไปเลยคะ่ะง่ายๆค่ะพระอาจารย์ไม่เอาแล้วไข่ดาวไข่เจียววุ่นวายต้องใส่น้ํามันต้องนู่นต้องนี่ง่ายเอาไม่ง่าย<ม>แล้วสมัยก่อนแบบทานสลัดก็ต้องแบบ มีแบบท็อปปิ้งมีน้ำสลัดเนีไยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วค่ะพาา่อจย์ซื้อผักมาแล้วกินผักแบบสดสแบบนั้นไปเลยอืง่ายดีค่ะพา่อจารย์เหมือนกันมันก็ลงท้องอยู่ดีกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะค่ะาพา่อจารย์คือขั้นตอนการทํากับข้าวเดี๋ยวนี้แบบเอาง่ายาที่สุดค่ะพ่อจาันดีค่ะดีมากค่ะเอาเวลามาความสงบเียค่ะใช่ค่ะจริงๆค่ะพ่อจารย์เพราะว่า ถ้าทําอะไรไม่ง่ายทาทานอะไรง่ายๆมันจะบอกมันจะใช้เวลาสั้นมากแล้วเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าค่ะไม่งั้นมันก็วุ่นวายอยู่กับแบบจะแบบทําอะไรต้องคิดว่าแบบจะใส่อะไรแบบปรุงแต่งไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องปรุงแต่งค่ะอาจารย์นี่แหละเอาเวลามาให้กับสิ่งที่มีค่าก็คือความสงบนี่ก่อนนะค่ะค่ะอาจารย์โอเคข้าหนอมนําปฏิบัติค่ะคระอาจารย์สาธุค่ะ ขอขอบคุณพระอาจารย์ตามคำสั่งสอนพระอาจารย์ที่สั่งสอนมานะคะอ่าอ่อไปที่คุณปุ้ยลักเซมเบิร์กประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนี่ไหมลักเซมเบิร์กใช่ไหมเลยเกือบเล็กที่สุดเล็กที่สุดค่ะพระอาจารย์กล่าวนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์มีประชากร<ง>ไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านนะถึงกับประมาณห้าแสนกว่าหกแสนค่ะได้เกืบรุงเทพของเราเยอะแยะเลยนะเปนจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดหนึ่งค่ะพระอาจารย์ ใช่แต่เขาได้ได้ระดับเออที่ว่าเป็นประเทศที่เงินเดือนน้ารวยน้ํารวยและก็อินเด็กต์ของเขาคือเงินเดือนเขาสูงสูงขึ้นแล้วมันก็จะอีกต้นเดือนอแต่แ ล, แล้วเป็นอะไรน้ำนํำมันอของเขานี่สุขสบายที่สุดนะะใช่ค่ะเพราะน้ํามันน้ํามันเราถูกถูกกว่าประเทศเยอรมัน อ, อะาใช่ มันโยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาตลอดโยมก็กราบขอบพระคุณที่ได้พบเจอพระอาจารย์โยมมีความสุขมากที่ได้อยู่ในธรรมแต่อวันอาทิตย์กับวันจันทร์โยมก็ยุ่งยุ่งยุ่งยุ่ ง, ง, งกับลูกเตรียมของค่ะให้ลูกตายกลับค่ะว่าพอดีลูกชายกลับประเทศเยอรมันไปเรียนต่อปริญญาโทค่ะยั ง, ย, งยังไม่เสร็จประเท ศ, ป ร, เทศประเทศนี้เขาก็ดีอยู่อย่างคือ เขาทางรัฐบาลเขาจะส่งเสียถ้าเด็กเรียนเขาก็จะส่งเสียอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่รักแซมเบอร์นี่เขาม่ีภาษาของเขาไหมมีมีภาษาเดิมของเขาเลยเป็นภาษาผสมระหว่างภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นตัวผสมนะคะถ้าเราเข้าใจภาษาเยอรมันเราก็จะเข้าใจภาษาเออแซมเบอร์ค่ะแล้วบกงเด็กคนญี่ปุ่นภาษาแซมเบอร์แล้วลือภาษาอื่นแทน คอออฟิเชียลลังเกตของเขานี่จะเป็นภาษาฝรั่งเศสกับภาษาเยอรมันแต่ตอนเนี้ภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วเมื่อเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่ภาษาอังกฤษก็จะเข้ามาถ้าเป็นเมืองใหญ่คือใจกลางเมืองของอย่างที่ที่ที่ยมอยู่เนี่ยนะคะและอำเภอเขาจะรับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันแล้วก็เอ่อเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาคือตอนนี้ถ้าใครจะทําสัญชาต ใครจะเปลี่ยนสัญชาติก็ต้องมีภาษาท้องถิ่นของเขาต้องได้เราถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเราไปขึ้นรถเมล์ไปซื้อของเนี่เขาใช้ภาษา <c oughs> อะไรหาทั่วไปเลยค่ะทุกภาษาเลยเกิดใจได้ใช่แต่คนทุกคนคนของเขาเขาจะใช้ภาษาอะไรกันค น, นของคื อ, คอตอนเนี้คนรักสมบัติน้อยมากที่จะอยู่ในประเทศรักสมบัติเขาก็ได้เพนชั่นกันเขาก็ไปแล้ว ไปอยู่ที่อื่นกันอย่างอย่างโย่ไปขึ้นรถไปไปซื้อของที่แสวนี้่ใช้ภาษาอะไรพูดอุ้ยใช้ภาษาเอ่อฝรั่งเศสค่ะกับภาษาอือฮึแลงสมมุติว่าเราอยู่ชายแดนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราอยู่ทางฝั่งชายแดนทางแม่น้ําใกล้ๆตีดจะเจอมันเราก็เราใช้ภาษาลักสมบึกเพราะว่าคนเจอมันจะเข้ามาและคนเจอมันจะพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมคะแต่เราเข้าใจอ่ะค่ะ คือเมืองเขาก็เล็กๆอย่างนี้คือมันไม่มีไม่มีเอ่อมันก็ปลอดภัยนะสาหรับเราเราอยู่มานานแล้วว่าปลอดภัยแต่สําหรับคนต่างชาติที่เข้ามาเขาก็พูดว่าไม่ปลอดภัยอย่างงี้อย่างงี้เขาก็จะคอดค้านอ่าฮะแต่เราก็เฉยๆเนาะเพราะเราอยู่ที่นี่มานานลองในลักษมณ์เบิกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ภาษารักษมเบิกกันเลคือตอนนี้เขาแล้วแต่คนคะ่ะ แต่เขาก็เป็นบังคับแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอาเอาสัญชาติของเขาหรือว่าพวกเลสซิชี่อะไรอย่างเงี้ยพวกเอ่ออพยพอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เข้าเรียนภาษาของเขาเลยเป็นเป็นเป็นคอร์สเนี่ยคือซึ่งเหมือนกับว่าคนโทนอ่ะนะฮะเขาเรียกว่เรียกภาษาว่าภาษารักซมเบอร์กันภาษารักสมเบอร์เลยค่ะยังยังยังภาษาอัางกฤษเขาเรียกว่า Good morning เออภาษาเยอรมันกุดหมอเกนเออภาษาลักเซมเบิร์กเาจะกุดน้ำม้อยเย็นภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าบงชูมยมันคือมันจะแตกต่างกันเหมือนกับฮอแลนด์อย่างเงี้ยคะฮอลแลนด์เขาก็จะไปหนึ่งเลยเบลเยียมเขาก็จะมีสองเอ่อภาษาของเขานะฮะอืมแต่ส่วนมากคนเบลเยียมจะเข้ามาอยู่กับเราเยอะอืก็คนเบลเยียมเจอมันจะเข้ามาทํางานเยอะเพราะว่าที่นี่มันเงินเดือนสูงนะสวัสดิการมันดีอือ เนี่ยคนได้ถ้าได้สัญชาติของเขาเขาก็จะอบอุ้มดีดีกว่านะยมก็อยู่สวดมนต์ไหวพระไปดีอยู่กับธรรมะไปพยายามสกจิตให้สงบใช่เพราะว่ากาเลือกเสยงกิ่นรดต่างๆเมืองเราก็เราก็อยู่อย่างสงบเราอยู่ใกล้สวนเราก็เดินออกไปเราไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเมืองเรา เราก็อยู่แบบสบายสบายไปค่ะปลอดภัยไม่เมืออประเทศนี้ไม่ค่อยมีอาชญากรรมเท่าไหร่มีมไหมจริงๆแล้วอะ่ะเ อ, อ่อถ้าเป็นทางใต้อะ่ะจะมีเพราะอยู่ใกล้กับฝรั่งเศสเราอยู่ในเมืองเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อสามสิบปีก่อนนี้แล้วมันไม่มีแล้วมันก็จะเริ่มมามีตรงที่ว่าพวกพวกพวกทางตะวันตกอะเข้ามามามาเป็นขอท ง, ง, งข อ, งของทานแต่ตำรวจเขาก็กาลังจะขวาร้างเพราะว่า เราเราไม่ชอบเรื่องขอทานขอเธิอะไรอยี้ก็มานั่งมาไล่บ้านไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ดีแต่พวกติดยงติดยา <S <S 2> <S 2> <ๆ>เขาก็คยาที่จะหาชนะหาเ อ, อเขาเรยกว่าอะไรนะมันเป็นสมาคมที่ว่าส่งคนมาเดินส่งคนมาตรวจตาอะไรอยี้มันเมื่อก่อนโยมอยู่อีกที่หนึ่งปลอดภัยกว่านี้ตอนนี้โยมมาอยู่ที่อันตรายแต่ถามว่าในที่ที่อันตรายมันปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัย คือเราถือว่าเขาไม่สนใจเขาเขาไม่สนใจเรามีขโมยมีต้นไมีจี้บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยมีค่ะมีลักรถเยอะเนี้ยมีลักลอบลักเยอะมีคดีลักรถเยอะมีคดีแบบว่าอย่างล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเคยขึ้นรถมุงรถไฟอะไรอย่างเงี้คือมันต้องเป็นที่เบี้ยเงี้ยมันมีทุกเมืองอยู่แล้วมนขนาดกรุงเทพมี คือเราต้องเข้าใจว่าในเมืองอ่ะมันต้องมีทุกที่แต่เพียงแต่ส่วนเราต้องระวังอยู่เพิ่ง่งคุยกับลูกชายไปเพราลูกชายบอกอู้อันตรายนะแต่ลูกชายโยบอกเจอมันอยิ่งกั่นี้อีกเขาก็บอกเจอมันมากกว่านี้อีกฝรั่งเศสมากกว่านี้อีกคือเราอยู่เราต้องทําใจอะอยู่กับมนุษย์เนี่ยพระอาจารย์ไอ้มนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นมนุษย์กันนะมันเป็นเป็นเผีกันที่เยอะกว่ายิ่งไห เขาไม่ได้สอนเหมือนศาสนาพุทธนะพระอาจารย์ไม่รู้จักศีลห้าไม่รู้จักศีลห้ากันแล้วเขาจะไม่สอนให้เด็กรู้จักบุญคุณคนเขาจะไม่สอนเราทํำอะไรให้เงี้ยคือขอบคุณก็ขอบคุณจบนี่คือเด็กฝรั่งคือจะไม่มีว่าเออน้ําใจไม่มีน้ําใจจริงค่ะจริงน้ําใจต่อกันใช่เพราะว่าโยมก็พยายามอธิบายว่าธรรมยมสิงเข้าในทางธรรมให้ลูกชายโยมฟัง เอมทำไมทำไมทำไมคนไทยอ่ะเด็กไทยกับเด็กฝรั่งอยู่เกิดในประเทศนี้นะมันถึงแตกต่างกันอืมเพราะบางทีคนฝรั่งเนี่ยเขาไม่มีไม่มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีการหลบความันยิ่มตนยิไม่มีปริญญาบางทีเขาทําอะไรแบบไม่มีปริญญาญงก็จะบอกว่าเธอรู้ไหมคาคํำนี้ยคนไทยพูดไม่ได้นะถ้าคุณเป็นฝรั่งคุณเกิดที่นี่คุณพูดได้แต่ถ้าคุณไปอยู่ในซีกโลกของในเมืองไทยเนี่ย คุณพูดไม่ใท่ยเด็กขาดเลยนะอืมเราเราก็ต้องค่อยค่อยพูดกับเขาไปเพราะว่าเด็กวัยรุ่นมันมันไม่เหมือนเด็กเล็กๆอะ่ะอาจารย์อือฮึแต่เขาก็ยังดีเขาเรียนค่ะเขาก็เรียนเขาไปเก๊เลยเราก็ต้องบ่อยอะ่ะแล้วเราไม่ถ้าเรามโมแต่มานั่งคิดเรานั่งสวดมนต์ไม่ได้อะ่ะอาจารย์เอ่าทำนั่นเท่าทำนั้เอาเท่าที่เราทำได้กแล้วกัน <c oughs> ค่ะเออเขาก็มีอะไรไหม ไม่มีค่ะโยมก็ขอจะมาขอพลังพระอาจารย์ขอโยมก็ตั้งอธิษฐานแล้วว่าจะเดินทางธรรมแล้วโยมก็อมขอังแบบขอให้โยมแบบเหมือนมีละตัดกิเลสจิตามาทั้งหลายอ่ะที่อยู่ภายในใจกายออกไปพลังอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความสงบสตินั่งสมาธิบ่อยๆแล้วจะมีกำลังขึ้นมาโยมเตือนขึ้นมาโยมมีปัญหาตรงที่ว่า ทุกครั้งเลยโยมตื่นขึ้นมาตีสองโยมนั่งสมาธินอนไม่หลับพอโยมนั่งไปปุ๊บโยมได้ยินเสียงพระตรวจแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้มันเหมือนคนมาแกล้งโยมฮะให้หลับอ่ะพระอาจารย์ไม่มีกิเลสนัก็เรียกกิเลสสมานอ่กิเลสสมานค่ะพอจะทําความดีหน่อยกิเลสมันมาขวางอยู่เลยอืแต่เม่โยมทําดีมากเลยโยมแบบเอสดชื่นมาก นมก็เลยบอกอืเดี๋ยวไะขอพลังพระอาจารย์หน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไม่จะเริ่มขี้เกียจไม่ได้ไม่ได้แต่ถึงะปฏิบัตินะบ่อยปฏิบัติทำสมาธิบ่อยๆอันมไม่ขาดเลยอต่อให้ก็ต้องไม่ละการสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะเป็นกิจชวันประจําวันนะยิ่งค่ะทำมาสามปีกว่าตั้งแต่อยู่มากับพระอาจารย์นี่างค่ะ โยมก็บอกถ้าตั้งใจแล้วคือว่าสัจจะของโยมมีคือหน้าที่และสัจจะมันใหญ่กว่าการที่จะมาเล่นแล้วเออเพราะโยมโตแล้วโยมอายุมากกว่าครึ่งร้อยแล้วโยมไม่เอาแล้วพระอาจารย์โยมเดินทางถูกแล้วล่ะดีมากท่านอาจารย์ท่านนีจ้จัดนะโน้มถวายคุณกับพระอาจาย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ะขอให้คนปุวยไม่ดวงตาเห็นธรรมเห็นเลขเห็น อ, อะไรตามที่ปรารถนานะ ทางช่วยเจ้าหน้โน้มรับเลยโอเคคุณตายตาอคุณตายปัตยานาเกล น, น, น, น้องกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามากลับมากลับว่อาจารย์แล้วก็เข้าห้องเรียนฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่แวันวันไหนไปไลฟ์เข้ามาไม่ได้ไปครับแต่กลับบ้านที่เชียงใหม่ไปหาพี่ๆค่ะอ๋ออยู่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ที่ปัทยานย ไม่เคยอยู่พัรยาสักปีหนึงพระอาจารย์ประสบการอกลับบ้านถ้ามาสมัยก่อนตอนมีแม่อยู่ก็กลับไปรดน้ำดาหัวแกทุกปีแล้วก็พอไม่มีก็เอาพวกพี่ๆแทนไปกับพวกพี่ๆแทนครับพระอาจารย์ทไปทำบุญให้พ่อแม่ท่านทำบุญใช่ค่ะก็ทำให้พ่อกับแม่ได้ทำตลอดแต่ว่ากับพี่สาวอย่างเงี้ยค่ะพี่คนโตเราเป็นน้องคนเล็กอะพระอาจารย์แล้วก็ เอาขันนะไปแล้วก็ของขวัญ น, นิดๆหน่อยๆก็ไปให้พี่เขาได้เชื่อใจกันก็คุยกันกินข้าวกันนะคะพระอาจารย์ดีจ้ะในการแสดงสัมมาคารวะค่ะก็ปีหนึ่งพวกพี่ๆเขาก็จะกลับบ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ปีละครั้งปีละครั้งสองครั้งอ่ะพระอาจารย์ถ้าเป็นไปได้เขาก็พยายามจะรวมตัวกันให้มากที่สุดแต่ก็ยังว่าและ อ่าพอลูกเต้าเขาไปทํางานกันต่างจังหวัดเขาก็ไปอยู่กับลูกแล้วก็ถ้ามีโอกาสกา็เนี่ยนะคะเทศกาลก็กลับมาบ้านค่ะโอเคดีค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรแล้วค่ะเอาทุกอย่า <c oughs> อ่าคุณหญิงเวลานิพนธ์เวลาพ <c oughs> นพรธ์เพืมากล น, น, นเทศกาลพระอาจารย์เจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้ว <c oughs> มาช้าค่ะพระอาจารย์รอแบบรอนานมาก เขาไม่ได้เอาไม่ได้เลยค่ะพระอ า, าจารย์คนน่าจะเยอะมากๆสค่ ะ, เ, คะเดี๋ยวนี้ต้องพยายามบริหารเวลาไม่ให้มันเกินสองชั่วโมงค่ะต้องเข้าประมาณขนาดทุ่งเข้ามาวันนี้ทุ่มครึ่งยังรอนานเลยเจ้าค่ะอคนเยอะมากค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติดูค่ะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวนี้พอเวลาตื่นมาโยมรู้สึกว่าวันหนึ่งมันจบไปเร็วมากร อ, ออายุสี่สิบขึ้นมาแล้วมันยิงไปเร็วใหญ่เลยเร็วมากแม่ยังบอกลูกเลยเนี่ยทุกวันนี้แม่อยู่เพื่อรอตายเนี่ย มันถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์นถอยหลังไปใช่รีบทําอะไระที่ยังทําได้นะจริงค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะกับพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะพวกเราทุกคนในห้องนี้โชคดีมากๆเลยคะ่ะได้พระอาจารย์คอยสั่งคอยสอนแล้วให้เดินทางที่ถูกที่ต้องค่ะพระอาจารย์ทำม า, <ไ>าตามตรงมากคะ่ะอเข้าใจมัจนยินได้ยินนุูนน ก, นกยอยเยอะจริงๆค <laughs> ่ะพระอาจารย์ทุกคนเข้ามาโยมหมดใช่เลยใช่เลยค่ะ พวกเราทุกคนโชคดีจริงๆเจๆค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาไปกราบพระอาจาราย์ไปใช้บาทพระอาจารย์แล้าขับรถกลับบ้านมีแป๊บเดียวพระอาจารย์ถึงบ้าน mm hmm. มีความสุขเจ้าค่ะแบบรู้สึกว่าใจมันคือมันอิ่มเหมือนว่าได้เจอพ่อแม่ได้เจอแบบคนที่เราเคารพศรัทธาสูงมากๆเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. พระอาจารย์โยมขอส่งไอ้ที่ว่าโยมนึกถึงทุกวันนะคะว่าอาวิชชาค่ะจะเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดใช่ไหมนะคะแล้วก็ mm hmm. แล้วพอเอ่อจะ ถ้าตัวอวิชาก็คือจะเป็นพวกตันหากรมะตันหาแล้วตัวเนี้ยจะเป็นทําให้เกิดสังขารแล้วพอมีสังขารขึ้นมาก็จะทําให้เกิดรูปเกิดนามพอเกิดรูปเกิดนามก็จะทําให้เกิดวิญญาณพอเราเกิดวิญญาณปุ๊บก็จะทําให้เกิดอายตนะมาจับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเรามา พอมีอายตนาเสร็จปุ๊บ ก, ก็จะมาเกิดเวทนาะพอเวทนาเกิดปุ๊บ ก, ก็จะเกิดอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถึงมันก็ทําแล้วทําให้เราเกิดภพเกิดชาติใช่ไหมเจ้าคะต้องมีตัณหาก่อนก่อนจะมีอุปทานต้องพอมีมีเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาความเวทนาตัณหาอ๋อตัณหาไม่ใช่มันคืออวิชชาไม่ใช<ร>ตัณหานี่คือความอยากเสพรูกเสพความเสพเสพเวทนาไงพอเจอสุขก็เวทนาก็อยากจะให้มัน เ, เสพไปนา น, าน แล้วก็กิดอุปทานขึ้นมาอ๋อฮะแล้วอุปทานก็ทําให้เกิดภพเกิดชาติถ้าเราจะตัดภพตัดชาติพอเราตัดภพเสร็จก็ตัดตัดปัญหาเราไปตัดที่ตัดหาเรไปตัดตัญหาตัญหาต่อดุปทานใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเราตัดความอยากเนี่ยนี่พูดทั้งวันนี้ก็บอกให้เลิกอยากเสร็จรูปเสียงกลิ่นรดไงใช่ค่ะเพราะจะแล้วในกรณีที่เรามีเครื่องกาแฟอยู่ที่บ้านนะคะอ๋อก็ทิ้งไปเลยทำมุอไปเอาไว้ทำมุอ แล้อนี่พระจารย์พูดถึงเรื่องกาแฟอะค่ะเจอหมกอุ้ยตายแล้วที่บ้านมีเครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟก็จะต้องจะต้องเดินผ่านเลยพระอาจารย์เพราะว่าต้องตึ้งเลยอ่าพระอาจารย์ก็มันเป็นรูปเสียงยินดลดนะเราเราเสียนรูปเสียงยินดลดของกาแฟบางทีแบบคือความเสียดายพระอาจารน์มามาเปิดตู้เย็นอเงี้ยเราเจออาหารแล้วแบบมันจะหมดอายุพระอาจารย์แบบทั้งทังที่มันก็เกินเวลาทานอะหาเกินเวลาที่เราทานเพราะว่าเปิดปุ๊บ เสียดายพ่อจ่าเราก็ต้องอัะกินเข้าไปเพราะตัวมันจะหมดอายุเนี่ยงั้นเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมคะก็ดีกว่าดีกว่าจะต้องมาทุบ ก, กับมันนะถ้าต่อไปถ้าไม่ร่างไปเดี๋ยวมันก็มันก็ไปซื้อมาใหม่กินเองลูกอะค่ะลูกเขาชอบซื้อมาใส่ในตู้เย็นพอซื้อซื้ อ, อแล้วพอเราไปเคลียร์ตู้เย็นอุ้ยอันนี้ก็จะหมดอายุนี่ก็จะหมดอายุยยเสียดายพ่อจามันก็ทิ้งไปเลยมันก็ทิ้งไปใกล้หมดเพ่อจ่ายังยังไม่หมดเสียเสียฮะนี่ก็เสียใจใช่ค่ะเงินเดี๋ยวโยกเอาใหม่ พอเห็นปุ๊บก็ถามไม่ได้ทันก็ทิ้งเลยพระอาจารย์เหนือประมาณวันจะอีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะเขาชอบซื้อมาใส่ในตู้เย็นแล้วโยโมก็ต้องคอยเคลียร์เคลียร์เคลียร์โยมไปทำทานก็นได้มีช า, <อ>ชาวบ้านคนยากคณจนก็ไปแจกกันอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคโยโมนึกถึงไปเลยเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ตามนั้นงั้นเครื่องชงกาแฟโยโมต้องเป็นไม้เป็นหมันแล้วค่ะ ค่ะอาจารย์ต้องทําใจเลยพระอาจารย์เดินผ่านเครื่องชงกาแฟอ่ะก็ทดสอบไม่ข้อสอบของเราทำได้ไม <c oughs> ่ได้มันอยู่ดีใจของมันนะคะต้องเป็นรู้สึกอะไรกับมันด้วยเสียดายพระอาจารย์นี่คือกิเลสใช่ไหยคะใช่เสียดายเครื่องแต่ไม่เสียดายใจ <c oughs> โอเคค่ะวิญญาณจะมารายงานพระอาจาราย์ใหม่นอกวิญญาณเดินผ่านชนะมันไหมครับพระอาจาราย์าราราสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะอค่ะคุณจันนี่ต่ออันนี้ เป็นไงเสียดายรูปเสียงกิน่นลดไหมถ้าไม่เสียดายนะเอาความสงบดีกว่ากําลังฝึกรลดละเลิอกอยู่ค่ะค่ะอาจารย์ยังไม่สําเร็จทั้งหมดแต่ก็พยายามค่ะอัออขออนุญาตให้คุณแม่ได้มากราบค่ะวันนี้ปฏิบัติดีสักอาจารย์วันนี้วันค้ายวันเกิดอะค่ะเออได้ไปทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่แล้วที่ท่านร่วงรับไปแล้วค่ะทาบุญทํําอทาบ่อยๆทํำเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยึดอยู่ว่าทานศีล ภาวนาอืมทําได้ทั้งสามอย่างเีลยก็ไปนิพพานได้ไม่ต้องการกำลังล <c oughs> ทําอยู่ว่า <ừ. S 2> ต้องทานศีลภาวนาแล้วก็พยายามนึกถึงไตรักให้มากๆว่าทุกข์ยากมันล้นนิดจังเออถูกต้องค่ะมีีปัญญาแล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยได้ไึกถึงใจรักได้แสดงว่าใกล้นิดเี้ <c oughs> พยายามนอนแต่ว่า <c oughs> ต้องนอนเจ็บเข่าแล้วก็ตื่นคือทุกข์ลมาใจต้องอยู่กับพุทโธให้ได้ะคะ่ะ เออถูกต้องดีมากาการโยมจะต้องอยู่กับพุทโธไว้ได้นึกถึงว่าวันตายแล้ววันนั้นต้องอยู่กับพุทโธไว้ได้แล<ช>้วบังชินไงพอพอล้มลงนอนพุทโธ ท, ทันทีพุทโธธรโมโสังโฆทันที<ช>แล้วก็พุทโธตลอดค่ะถูกต้องดีมากทําไปเรือ่อยๆทําทุกวันทุกเวลาไงค่ะแต่บางครั้งก็มัวแต่เล่นทองคําแท่งขี้เกียจเหมือนกัน <laughs> <laughs> กกนึกถึงทองคําแท่งกลางวันตอนนี้ขึ้นเนีอย ฟังคำขึ้นเยอะเยอะแล้วเกินนะฟังคำขึ Om, ้นเยอะกลายลงเยอะลงเยอะแล้วกันอันนี้เราเฝ้าอยู่เฝ้าฟังนักที่ก็อยู่ลงขึ้นลงื่อเช้าเพิ่งได้เก้าร้อยอะสิบเกือบหนีไม่ทันที่จริงติดเอยได้เก้าสิบได้ไปตาบุญอันนี้ก็เป็นการพนันนะโยมเป็นการพนันไหมคะเป็นการพนานนั่นแหละถ้าเล่นแบบนี้เป็นการพนันถ้าเล่นแบบนี้ก็เป็นการใช่ใช่นึกอยู่หมดกันน่าจะว่าจะเลิกแล้ว อถ้าเท็จไม่อย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปติดตามไม่รู้มันเนือเครียดอยู่มันไม่เราเครียดกับมันไม่เวลามันขึ้นมันลงไงน่าจะเป็นการเครียดไหมคะอาจารย์ถามว่าเครียดไหมเครียดเหมือนกันบางครั้งปวดหัวจี๊ดเลยไม่ได้ดังใจนั่นแหะแต่ก็พยายามปงแต่ว่าเครียดก็บ่งเพราะว่าทุกอย่างมันว่างเป่าไปหมดมันไม่มีเป็นอะไรของเราสักอย่างหาได้เยอะๆก็ไม่ไม่ได้เป็นของเราเอาไปไม่ได้สักอย่าง ถึงเวลานั้นก็ต้องปล่อยแต่ตัวอยู่ดีอะค่ะ<ล>อก็ป ง, ปง <laughs> อยู่ค่ะปงปไม่ยอปล<ๆ>่อยวางแต่นี้อยากได้เยอะแต่ <laughs> บางครั้งก็อยากได้มั่งไม่อยากได้มั่งแต่กินแรตัวในใจมูม้มันแบบพยายามบังคับเขาจังแล้วว่าอย่ากออกมานะอย่ากออกมานะต้องบังคับเขา ว, ว่าอย่ากออกมานะความอยากต้องมีแล้วก็พยายามแชร์ที่ลูกติปอาจารย์แชร์มาถ้าเราอยาก ความอยากไม่มีอะไรเราก็ไปเป็นทุกขอะไรแชร์ให้เพื่อนๆตลอดอนะคะพยายามสอนตัวเองด้วยถ้าเราอยากมีอยากนู่นอยากนี้เราก็เป็นทุกข์ได้มาเราก็มันได้มาแป๊บเดียวสุขใจแป๊บเดียวก็เหมือนเดิมอีกก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรอีกเดี๋หาไวปทำไปแต่ก็อดไม่ได้อดร้าไม่ได้อย่างเหลือคนนี้อยู่ก็ก็เออก็บต้องเป็นวิธีต้องมานั่งสมาธิหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าก็ก็ สงสัต้องไปแนวนั้นแหละค่ะโอ้โหมันก็ได้ยินให้ฝึกสมาธิให้ฝึกสมาธิโอเคค่ะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆสาธุค่ะเพื่อจะได้ขออยู่นานๆเพื่อจะได้ทําสมาธิได้อย่างด้อยคือ ไม่น่าอะไรนะลูกกันแรกอะไรนะโซดาบันโซดาบันก็ยังดีหนูพยายามเอ้ยโยมพยายามว่าอย่างน้อยชาตินี้กับเอ้ยไม่ได้อย่างอื่นขอเป็นแค่โสดาบันแต่สักนิดก็ยังดีดีดีสาธุขอให้ได้ดังปรารถนาห่ะการการสาธุการการขอบคุณค่ะโอเคคุณจันนี่มีอะไรมารายงานหรือเปล่า ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เอฝึกกับเอความเจ็บปวดตอนนี้หนูรู้สึกเอความเจ็บปวดอ่ะค่ะเวลามันเกิดเวชนาขึ้นมาค่ะก็ไม่ไม่กลัวแล้วแต่ก็ยังอยู่กับเขาไม่ได้อะค่ะคือยังทนกับเขาไม่ได้ตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราไม่ได้กลัวเขาแล้วแต่ทําไมเรายังยังไม่สามารถอยู่กับเขาได้ใช่ S <S ใช่คะ่ะก็เลยไม่กลัแกวแต่ยังไม่ชอบมันอยู่ใช่ใช่คะ่ะหนูก็เลยลองสังเกตก็เห็นแบบที่พระอาจารย์คะ่ะเวลาก็สังเกตจิตอะคะ่ะก็เห็นแบบที่อาจารย์พระอาจารย์พูดเลยคะ่ะว่าเหมือนพอมันเกิดกิเลสเอ้ยเวทนาที่มันเปลี่ยนไปอะคะ่ะสมมติว่าตอนแรกมันเบาแล้วก็มันแรงขึ้นอย่างเงี้ยพอมันแรงขึ้นกจิตเราก็แบบก็เพิ่มตามมันเหมือนยังมีความไม่ชอบที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะคะ่ะต้องใช้สติควบคุมมันไว พุทโธพุทโธไวแล้วพุทโธพุทโธไวเดี๋ยวมันก็นน่งเองพอมันนิ่งแล้วก็อยู่กับมันได้คล้วขาดสติสติเราสติเรามีกำลังน้อยต้องพยายามเพิ่มสติให้มากขึ้นปัญญามีแล้วปัญญามันสอนให้เราว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องให้มันอยู่แบบเน่งๆถ้ามันดิ่นแสดงว่ามันไม่นิ่งแสดงว่ามันไม่มีสติพอ ค่ะอาจารย์นะพยายามพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจกับวาอาการเจ็บปวดตอมันเจ็บไปแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธลงมาไปอย่พอใจนิ่งอ่ะที้เราก็สบายอยู่กับมันได้ค่ะอาจารย์ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้้วขอพะคุณค่ะอาจารย์จะพยายามด่าสติขารความเพียรถ้าตอนนั้น เพราต้องพยายามขยันพุโทโธพุโทโธแล้วสวดบนไปก็ได้อะไรก็ได้อย่าให้มันนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วมันจะดินค่ะต้องต้องต้องพยายามขยนันเดี๋ยวหนูขาดความเพียรจริงๆค่ะพระอาจารย์ยอมรับเลยค่ะในข้อนี้จะพยายามเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นค่ะพระพุทธเจ้าบอกหนุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรนคน่ะพระอาจารย์อโอเคพยายามเพียายามฝึกไว้เรื่อยๆ บ่อยๆเอาไปคามเพียนคามเพียนมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆออยิง่ยงทำยิ่งายิ่งทำยิ่งมากไปเรื่อยๆค่ะจะพยายามนําคําสอนของพระอาจารย์ทุกข้อมาปฏิบัติค่ะเรื่องที่พระอาจารย์พูดกับคุณจูบเรื่องการละลดเลิกพวกการมมาฉันทาทั้งหลายก็หนูรู้สึกพระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์บอกให้หนูฟังหรือแบบ แล้วบอกให้ทุกคนเนี่ยเพราะนี่คือเป้าหมายของผู้รัฐของพวกเราก <c oughs> ารปฏิบัติก็เพื่อเอาชนะการมาตัญหาให้ได้ใ่คเพราะว่า <พบ S 2> กา<บ>มาตัญหาได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วค่ะอันนี้บางท่านบอกไม่ยากแต่สําหรับหนูค่อนข้างจะยากมากเลยค่ะเหมือนมันยังมันยังติดพันอยู่ในชีวิตประจําวันอะไรพวกเนี้ยค่ะ <c oughs> แต่ก็ก็ตั้งใจจะพยายามเลิกไปเรื่อยๆให้ได้ค่ะ <c oughs> ก็ทําไปตามกํากลังทําไปไม่ใช่ว่า ท, ทําทีปุ๊บจะต้องทําให้มันได้หมดเลยเอาทีละตัวสองตัวก็ได้เก็บมันตีละตัวสองตัวเรื่องสองเรื่องวันนี้เก็บเรื่องกาแฟพรุ่งนี้เก็บเรื่องอะไรเอาเอาทียรเรื่องไปก่อนไม่ได้แต่ว่าอาหารทันเอ๊ยทันไม่ทานมื้อเดียว่ค่ะได้ <c oughs> ได้พบชวนค่ะทานมื้อเดียวได้ค่ะดีค่ะ <c oughs> ก, ก็แก้เรื่องอาหารไม่ได้เรื่องนอะไรเอาไปก็เครื่องดื่ม ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ยังติดเครื่องดื่มแต่หิวน้ำก่อนดืนะ่มน้ำเปล่าไปแต่นอกเวล า, าก็ไม่ทานอย่างไม่ทานน้าอื่นเลยค่ะทานแต่น้าเปล่าโอเคดีอย่ <S <S <S นี้เราไปไ ป, ไปตัดทางตาหูบ้างทางั้งท้งเสียงทงั้งรูปบ้าง <S <S <S ตแต่แล้วยังติดสารภาพาว่าติดชายเย็นอยู่ค่ะก็คือกินพร้อมกับอาหารมื้อกลางวันนะคะยังกิน<อ>ชาพวกชายเย็นอยู่ก็ อ, อย่างน้อยก็อย่้ามันกินกับอาหารอย่ า, อ ย, าอย่าไปกินระหว่างมือ้อ ได้คะ่ะพระอาจารย์จะพยายามไปเรื่อยๆคะ่ะอืมีพระอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคะ่ะหนูไม่ยอมแพ้คะ่ะดีมากนะถึงคุณ ส, สลินทานเป็นยังไงไปเข้าวิคัลหรือมาหรือยังหนูยังติดอีกหลายอย่างเลย ม, มาสการกับอาจารย์ไปเข้าคอร์สแล้วพอออกจากคอร์สก็กลับมาเติมกับอาจารย์แต่เดี๋ยวคราวนี้ไม่มีปัญหาอะไรไปเข้าได้ อ๋ออันอันที่จะอันใหม่นี้คือยังไม่ใช่เดือนนี้ค่ะพ่อจารย์ไปไปเดือนมิถุนาค่ะพ่าจารย์เพราะว่าเขาต้องจองประมาณสี่ห้าเดือนใช่ค่ะล่วงหน้าค่ะก็พิ่มได้ได้แล้วแต่ว่าต้องเข้าไปคอนเฟิร์มเขาก่อนนะคะนี่เป็นของโกลแงก้านี่ใช่ไหมอันนี้เป็นปลายเดือนมิถุนาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนุกลับมาจะกลับเรียนพ่อาจาันว่าเป็นยัง ไ, ไงทำไมทำไมถึงอยากจะกลับไปลองอย่างงะ อยากลองอยากลองดูว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะไอสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้เขาที่แล้วหรือเปล่าอ่ะค่ะอ mm hmm. ถ้าสมมติว่าลองไม่ได้ก็คือก็จะได้รู้ว่าเออเราไม่ได้จริงมันไม่ใช่ทางของเราจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. อยากทดสอบตัวเองว่าทําได้ไหมอะค่ะพระอาจารย์ okay. mm hmm. แต่หนูก็ยังหนูก็ห น, หนูหนูฟังพระอาจารย์สาวอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหนูก็นั่งสมาธิตามด้วยนะคะ mm hmm. นั่งหนูก็รู้สึก เหมือนมันเหมือนมันสกระ ต, ตุ้นเตือนเตือนใจขึ้นมาว่าอู๋พระอาจารย์ตอนนี้ท่านพระอาจารย์เทศได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราแล้วเราต้องรีบปฏิบัติแล้วเราเรายังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็มันก็ลุกขึ้นมาปฏิบัตินะคะเวลามีเวลาว่างสิบสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมาปฏิบัตินะค ะ, ะติดตั้นไปเรื่อยๆติดตั้นไปเรื่อยๆพระอาจารย์กลัวกลัวว่าตัวเองจะไม่ทันเงี้ยค่ะพระอาจารย์กลัวไม่มีเวลาของตัวเองเรารู้สึกว่าตัวเองยัง หลงอีกมากเลยค่ะพอพระอาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้ค่ะหนูยังรู้สึกว่าหนูติดหนูติดทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ติด <c oughs> แล้วก็พอมองย้อนกลับมาแล้วก็เฮ้ยไม่ได้แล้วนะทําไมเพราะอันที่จริงเนี่ยการปฏิบัติที่แท้จริงเราจะต้องไม่ติดอะไรเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ <c oughs> ต้องแบบต้องลดให้ได้มากที่สุด <c oughs> แต่อย่างอย่างพวกน้ําชา ก, กาแฟอย่างเงี้ยค่ะพอหนูบอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วเพราะก่อนหน้านี้หนูดื่มกาแฟทุกวัน <c oughs> ดื่มมาตั้งสิบปีอะค่ะพระอาจารย์พออยู่ <c oughs> <c oughs> อีกคืนดีคุณหมอบอกว่าไม่ได้แล้วต้องลดน้ําตาลแล้วนะไม่งั้นไม่งั้นจะเป็นคอเลสเตอรอลสูงมันก็ทําได้วันรุ่งขึ่นก็คือหยุดกาแฟได้เลยอะคะ่ะหนูก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่ใจจริงๆถ้าเกิดว่าใจบอกว่าทําได้มันก็ทําได้สิแล้วหลังจากนั้นดื่มโซดาไม่ดื่มกาแฟอะไรที่เป็นน้ําตาลหนูก็หยุดเลยอะคะ่ะมันก็ทําได้ด มันก็คืออยู่ที่ใจแสดงว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันมันต้องได้แต่ก่อนหน้านี้เหมือนเราไม่เคยทํามันก็ต้องมีเหตุจูงใจด้วยคือมันต้องมีมันต้องเห็นอันตรายของมัน <c oughs> เห็นทุกข์ใช่ค่ะแต่ขนขณะเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไงคะว่ามันต้องมีแรงจูงใจเพราะหนูเข้ามาก็ยอมแล้ ว, ว่าหนูมีความสุขเลยคะ่ะพระอาจารย์เหมือนตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องวุ่นวายความชอบความไม่ชอบความตัญหาอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งฟังพระอาจารย์แล้วมัน มันโล่งมันสบายมันมันมีความสุขอะค่ะพระอาจารย์มันมันเหมือนได้ล้างล้างใจออกอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็มีความตั้งใจปฏิบัติเริ่มใหม่อีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นย่างที่ทิ้งเล่ะพระอาจารย์ดีอย่างน้อยทิ้งหนึงก็มามาชำระมันสักทีนึงใช่ค่ะเอาเอาเอาสิ่งไม่ดีออกไปว่างพระอาจารย์ต้องประกาบพระอาจารย์นะค่ะแล้วก็เอวันนี้จิ๊บก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันค่ะเขอเอาห็นบอกว่าต้องติดประชุมอะค่ะก็เลยเข้ามา แผ่จิตด้วยนะคะดูย้อนหลังกันแล้วกันอาตีพนะขอให้พระจ้านะคะขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุคุณโอ๋อ๋พีเคน้องจางน้วมารักการท่านอาจางก็ค่ะมายังไงมีอะไรัหมวันนี้วันนี้หนูขอโอกาสเข้ามากราบสวัสดีทีไรท่าน้าจารย์จ้าค่ะแล้วก็ ขอโอกาสกับขอขมาท่านพระอาจารจา <Okay. S 2> ย์นิสชาโอเคแล้วก็ยังลดยังม่รักกิเลยอยู่อ่ะพอาจายังติดอยู่เจ้าค่ะสารภาพเจ้าค่ะแต่ก็จะพยายามเจ้าค่ะเมื่อวันนี้ก็ต่อสู้เจ้าพระอาจารย์เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเข้าท่ามของปกติใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีต่อสู้ว่าจะเข้าท่ามดีหรือว่าจะทํางานจะเข้าท่ามดีหรือว่าจะทํางานอะไรก็ค่ะแล้วก็ถ้าเข้าท่าก็ ต้องงดทานอาหารหน่อยน้ก็ค่ะเพราะว่ามีเรศไหลไปเหมือนกันจ้าค่ะพายจาะก็ชนะพอจะค่ะ่ายจางเาหมายขางเราคือการละละกิเลสนะละความยินดีในโน้ตเสียงกลิ่นนิดจ้าค่ะจะกลับไปพยายามใหม่จ้าค่ะพายจางช่วงนี้หนูก็เหมือนกับว่า กลับมาเริ่มเหมือนเรื่มเพ้่ใหม่อะค่ะภายจารย์คพยายามใช้การสวดมนต์แล้วก็ฟังนักงสมด้วยการใช้เสียงเพลงก็ค่ะในการเจริญสติไปก่อนนะคะแ่จะชอบไปที่จันทร์ค่ะอาจารย์จะพยายามกลับไปนี้เดียวก็ค่ะเดี๋ยวเรื่องเสียงกิน้อยลงนั่งสมาธิให้มากขึ้นก็ค่ะภายจารย์ในเรื่องขนมก็ค่ะก็คือมีมีมียังมีทานอีะค่ะ ถ้าทุก็ยังติดใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์อ๋อก็อย่างนั้นแหลตที่ที่ไม่ให้ไม่ติดก็กด้มันจะได้ไม่ทุกเนี่ยเจ้าค่ะอยากกินแล้วไม่ได้กินมันก็ทุกใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่มีความอยากกินแล้วมันก็จะไม่ทุกกว่าันเจ้ค่ะอย่างเวลาเราถ้าเจะได้ไม่ทุกข์กับรูปเสียงกินเนาะได้เจ้าค่ะอาจารย์ ใช้วิธีการคลุกก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ได we ้ยังติดใช่ไมเจ้าคะเวลาคลุกกับอาหารเลยเจ้าคะมันก็ช่วยไม่ได้ช่วยบันเทาแต่มันต้องไม่ติดนะไม่ต้องไม่ต้ไม่ได้กินมันไะเลเลิกกินมันไปเลยบนดมรี่ยมดลาวอธิษฐานกับว่าพยายามเลยเจ้าคะพระอาจารย์กับกับขอขมาพระอาจารย์้ไคะในสิ่งที่เ้าต่ว่าหนูได้ ดี่ผิด้องชทผิดอะไรเงี้ยจ้ค่ะอาจารย์ขอโอกาสกับเข้ามาเรียนอะไก็ค่ะสิดสามันนะคะกับเขาพรคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ไม่ตาเป็สิทตกคนแล้วก็รวมถึงหนูด้วยนะ้าคะขอท่านอาจรย์มีท่าทแข็งแรงจ้าสาคะคุณยินดีจ้าันนี้อยู่เมืองไหนนะยินดีเียงไม่เข้าพสเบร์ค่ะท่านอาจารย์ได้ยิน อยู่นไหนพักเลยนิวยอร์กค่ะท่านอาจารย์ไปทางไหนแล้วครับทางใต้ของนิวยอร์กเออลูกคิดว่าอยู่ทางตะวันออกเปล่าคะนหนูไม่ได้ดูไ ม, ไม่ไม่ได้ใกล้เมืองเมืองนะิวยอร์กเนี่ยกรุงนิวยอร์กเออขับรถเ อ, อไปที่อนิวยอร์กที่ตัวเมืองก็ประมาณห้าชั่วโมงอะค่ะท่านอาจารย์ก็ไกลยังไกล <c oughs> นอยู่ใกล้แคนาดาค่ะท่านอาจารย์อ๋อคลนไปทางเหนือเไปทางเออแผ่ ท, ที่นี่ห่างจากมอนทรีออลเออแค่หนึ่งชั่วโมงเองค่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเองค่ะท่านอาจารย์ใกล้แคนาดามากกว่าใกล้นิวยอร์กมนิวยอร์กเมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดวิดไปทำงานที่แคเบกก็ขับรถไปประมาณเออสามชั่วมงตึงถึงอะค่ะทา่านอาจารย์แลสบายเลยว่าพูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยค่ะที่นั่นที่นั่นพอไป หนูตามไปด้วยค่ะถ้าอาจารย์ก็เลยถือโอกาสเข้าเอตัวเมืองอเยี่ยมชมตัวเมืองเก่าของเคลเบกไปด้วยทุกคนพูดภาษาฝรั่งเศสหมดอนะคะถ้าอาจารย์อก็เหมือนกับเมืองฝรั่งเศสเลยค่ะถ้าอาจารย์อาหารอะไอย่างเงี้ยค่ะค่ะท่าอาจารย์ก็เลยได้ไดโอกาสเยี่ยมชมแล้วก็เออ่ก็ไม่มีอะไรค่ะถ้าอาจารย์ก็เข้ามากราบ เหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมคะ่ะท่าอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์บอลซองเต้เหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ค่านอาสซีโบกค่ะทุกคนก็พูดไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคน <Okay. S 2> ก็ป้องกันหมดคะ่ะท่านอาจารย์ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะ <Yeah. S 2> ก็มีเป็นเข็มทิศชีวิตไทยอะคะ่ะท่านอาจารย์รค่ะอ่าทุกกาพคนท่านอาจารย์อย่างสูงคะ่ะอ่าคุณปานามา อริกอนเซเลมอยู่ระหว่างพอร์ตเล่นกับยูจีนนะใช่จ้กกาค่ะหลวงพอ่งพอกลหรือไม่สกลหลวงพ่อจ้าค่ะไกลใกล้ที่ไหนกว่ากันยูจีนเนอะพอร์ตเล อ, อ่าอยู่อยู่ครึ่งทางค่ะ อ, อยู่ครึ่งทางถ้าไปยูจีนก็ประมาณชั่วโมงแล้วก็ไปพอร์ตแ ล, ลนด์ก็สิบ<ม>ใช่<ม>จ้าค่ะสี่สิบแปดนาทีเจ้าค่ะก็ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะ ก็พยายามลดละดูข้อทีอ่ยังติดอยู่เจ้าค่ะหลวงพอ่อแล้วกอ็อยู่กับตัวเองมากขึ้นลดการทำงานมากขึ้นปฏิบัติเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะลดทั้งโลกให้มันน้อยลงไปใช่เจ้าค่ะเรกติดทั้งติดทั้งโลกมันก็จะต้องกลับมาเกิดเรื่อยๆนะฮะใช่พยายามพิจารณาดูใน แต่แต่ละวันตลอดเวลาเจ้าค่ะอะไรที่ยังติดอยู่ก็พยายามลดเจ้าค่ ะ, อะขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะถึงบางวันเข้ามาไม่ได้ก็นั่งปฏิบัติอยู่ข้างนอกเจ้าค่ะโอเคดีับบมาสก์หลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะขอบคุณบริกต่อมริกอะไรที่ว่า จะมาปฏิบัติทำเมื่อไหร่นเล็กกาก็ก็ได้พอพิจารณาตัวเองในเรื่องของการลดน้ําหนักลดน้ําหนักลดลงมากดังนั้นก็เลยว่าเออนะคนเราพอถึงช่วงอายุที่ว่าพออายุมากขึ้นเราก็ต้องมาหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องขางการปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ พอเราได้นึกถึงตรงนี้แล้วก็ได้คาบวกกับคำสอนของผ้อาจารย์ที่เคยเตือนสติมาโดยตลอดก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออนะเราต้องทิ้งเราต้องวางบ้างในสิ่งที่ควรวางแล้วก็สละลบละออกไปบ้างในสิ่งที่ควรลดละออกไปแล้วก็หันมาปฏิบัติถือเพราะว่า หมืยนกับที่ผู้าวุโถามอาทิตย์ที่แล้วแนละ้วเจ้าครณผู้อาวุโสก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในสามจังหวใใดัดชายแดนภาคใต้ก็มันก็ยังเกิดอยู่ตลอดเวลาพะฉะนั้นความไม่ประมาท ต, ตรงนี้มันต้องให้มีมากขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะตายได้ทุกเวลาที่ผู้อาวุโสดังนั้นก <c oughs> ็ดี <c oughs> ได้อยู่ในที่แบบนั้นก็ <c oughs> ทําให้เรามีมีสติมากขึ้นมาแล้วสติมากได้ผู้อาวุโสในส่วนนี้เราทําให้รู้ว่า เออนะเราต้องเร่งปฏิบัติแล้วนะเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้ขึ้นเข่าก็พยายามขึ้นไปเถอะถึงว่าโอกาสที่จะขึ้นไปนั้นมันน้อยแต่ว่าก็พยายามที่จะขึ้นไปได้ทุกเดือนเจ้าค่ะผร้อาชีพก็จองวันเดือนหน้า<ๆ>ใช่ไหมเดือนหน้าจะมาใช่ไหมเจ้าค่ะพู้อารย์ในวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สบหกเจ้าค่ะพู้อาชีพอดีช่วงวิสาขาะเอน่อในในวิสาขะมาหน่อยนะก็ ก็หน้าวิสศักดิ์หรือไหมวันหนุ่มหนูไม่ได้ได้ดูนะแต่ว่าก็คือได้จุดหนึ่งคือก่อนที่จะขึ้นไปที่เขาชิโอนนะก็ว่าจะขึ้นไปที่สุครินก่อนเพราะว่าหนูก็ลงมาที่อยู่รงแง่ก็ไม่ค่อยอจะได้ขึ้นไปสุครินก็ขึ้นไปแต่ว่าจะขึ้นไปที่สุสสครินบ้างกับเจ้อาจารย์ก็ก็พยายามที่จะทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่กําลังที่จะพยายามที่จะทําได้เจ้าค่ะอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าบางครั้งก็บอกว่า การปฏิบัตินั้นก็ยังล้มลุกคุคลานด้วยวิบากกรรมหรือว่าอะไรก็เราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าก็คือแต่ถใจที่ถามพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วในเรื่องของความศรัทธาศรัทธาตัวได้ยากเารไม่รู้แล้วว่าศรัทธาและวิริยะนั้นมาบวกกับ 50- 50ิบห้าสิบนั้นก็คือเราต้องพยายามบางครั้งการที่เราปฏิบัติอยู่ในท่ามกลางที่เขาไม่ปฏิบัติกันนั้นก็ยากพอสมควรค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะ การทานข้าวค่ะว่าอาจารย์เราทานข้าวแบบเราช่วงฝ่ายไม่ทานข้าวไปอยู่กับเขาที่ทานข้าวมันก็ลำบากเหมือนกันค่ะวาอาจารย์บางทีก็ถูกมองว่าการเคร่งมากเกินไปหรือไม่ทําไมต้องอปฏิบัติมันไม่มากเกินไปนะเพียงแต่ว่ า, ถ, า, า, ปป า, า, าถ้าเราเปรียบเทียบกับเขาเก็เหมือนกับมากเกินไปถ้าเราเปรียบเทียบกับพระเจ้าเราเรายังไม่เคร่งพอจะได้ซ้ำไปอยู่ที่การเปรียบเทยียบเราไปเปรียบเทยียบกับใคร เปรียบเทียบกคนกินข้าวสามมือสี่มือเราก็เช่งเกินไปแล้วอะเรากินเห็นไหมแต่เราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอดข้าวนี่เราก็ยังไม่เช่งเท่าเขาใช่ค่ะพระาจารแต่นั้นการมีอยู่กับคนก็มีส่วนที่จะทําให้เราเท่งมากขึ้นแล้วเท่งน้อยลงก็ได้บางครั้งมันก็หลุดหลุดไปค่ะพรอาจารย์เหมือนกับวันนี้ลูกก็ยอมแล้วว่าลูกก็หลุดไปเพราะว่า เพราะมาจากว่าพอเห็นเพราะเขาเห็นเราเขาบอกว่าโอ้โฉมจังโฉมจางเพราะว่าโฉมจังตัวผมจังทําไมต้องทําร้ายตัวเองก็ยอเรื่องเรื่องของเราเัาไม่ได้ทําร้ายตัวเราเองเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราเราก็ต้องลดแต่ก็ได้ได้โอกาสว่าเออนิ่งแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วก็กินน้ำบอกว่าเออขอกินน้าก็แล้วกัน้นอย่างอื่นเราก็ไม่ขอกินนะเรากินน้ํา็โอเคนะค่ะ่าจารย์ ต็นั้นก็คือถือว่าวันนี้ก็ชนะไปได้ตั้งเกือบิเปอร์เซนก็คือถือว่า<ม>นี่คือการชนะใจตนเองแล้วก็ก็ยังยิ้มให้กับตัวเองว่าเรายังไม่แพ้กรรมที่ให้ตักจะไว้เจ้าขาพระจ<ม>ันลูกขอแนะนําคําสอนทั้งบดที่พระอาจารย์เคยสอนนั้นํามาปฏิบัติที่ตากล้องอ๋ปฏิบัติดีปฏิบัติตต<ม>ชอบนะสาธุเจ้าค่ะพ่อจารย์ คุณบอกสุดธาสันยีเชิญวันนี้มาทําุญนึงที่ว่าเลยเจ้าขาท่านอาจารย์ลูกไม่มีคําถามอะไรเจ้าขาท่านอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติอยู่เจ้าขาอนรูปเสียงกินอนดลงนะลดลงไปเยอะเลยเจ้าขาโอเคี่เพิ่มความคําสงบให้มากขึ้นนะเจ้าขาท่านอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณเจ้าค่ะเจ้จจจาเ่้าคุณังอะไรกลับมาส ก, การเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะถ้าถามว่าเมื่อก่อนติดอะไรก็ติดพระอาจารย์นะคะอชอบเรียนธรรมะพระอาจารย์แล้วไปเจอพระอาจารย์ช่วงหลังๆพอมาอยู่ศรีราชาก็ติดสติคะ่ะแล้วก็ช่วงหลังเนี้ยหนูจะจัดอารมณ์ได้เร็วขึ้นเมื่อมีสติเช่น คนอื่นกําลังโกรธเราก็ยุติด้วยความนิ่งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรากําลังจะเริ่มไม่พอใจเราก็จะหยุดนิ่งเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าชอบสติค่ะนี่สติเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะเป็นทําที่สําคัญมากที่สุดเจ้าค่ะกับข้อสติบ่อยๆเจ้ค่ะผมจะพยายามําควบคู่กันไปตั้งแต่ตื่นจนดับเลยนะให้มีสติตลอดเวลา เจ้าค่ะกลับวขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่คุณหมอแนทกับคุณหมอต้าครับกลาวพิธการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงก็ก็พยายามลดลดละได้บ้างไหมได้ได้แต่ยังยังไม่มากครับพระอาจารย์ครับก็เราก็พยายามลดละ่อไปครับอาจจะมีสิ่งเล้ะในชีวิตประจําวันเยอะครับ มือถือพวกอะไรพวกเนี้ยครับ<ม>ก็จะพาออกนอกลูกนอกทางไปเยอะครับอืเราพยายามจ ะ, จะเจริญสติระหว่างวันที่พระอาจารย์แนะนําแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันเพื่อ<ม>เพื่อดึงมันกลับมาครับดีเวลาจะดูมือถือก็มานั่งสมาธิแทนครับต้องมีสติจริงๆครับพระอาจารย์ <laughs> ต้องมีพุโทโธค่ะมีพุโทโธไปช่วยตัดอารมณ์ที่จะเพลินก็คือช่วยได้ครับพระอาจารย์อืม แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าหนูก็จะไปขึ้นขึ้นเขาค่ะพระอาจารย์เนี่ยเคยขึ้นไปได้ยังเคยขึ้นมาสองครั้งแล้วค่ะอันนี้จะเป็นครั้งที่สามแต่หนูจะไปแค่แบบสองคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไมยังดีก็ยังดีค่ะค่ะพอดีตาไปประชุมก็เลยนิดจองเลยช่ครับอาจารย์เดี๋ยจะตั้งใจปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะครับขอบคุณชุบัสตา เริ่มเริ่มทำงานหรือยังรอแถวหน้ามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินลูกใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยินนะ ว, วันนี้เข้ามาหาวิทยาลัยเจ้าค่ะไปะไปฟังพาร ะ, ะงานว่าเราต้องทำอะไรบ้างแล้วแต่ว่าถ้าเริ่มนับก็คือพฤษภาคมที่หนึ่งเจ้าค่ะก็ยังไม่กี่วันเอง่ะ ใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีไปสอนที่นครนายกด้วยเพราะว่ามีวิทยาเขตที่นู่นเจ้าค่ะก็อันนี้อันนี้เป็นของรัฐบาลแลเป็นของเอกชนนะสของมสุนตุสิตเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มีเอลูกอยู่ภาคปฐมก็ก็มีวิคือจะต้องไปสอนช่วยที่นู่นด้วยก็มีนครนายกอาจจะไปสุพรรณอะไรนี้ด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ รับที่เอ่อก็พิสภาไปที่หนึ่งเต็มต้องไปต้องไปเริ่มเต็มตัวแล้วค่ะก็สนุกได้ความอบอุ่นมากวันนี้ไปพบอ่าจารย์ที่ภาคแล้วก็รู้จักกันได้รับความอบอุ่นมากๆมีความสุขเจ้าค่ะแล้วค่ะนี่อยูที่ไหนก็ขอให้เราอ่อน้อมถ่อมตนไว้ก็แล้วกันนะอาจจะอยู่คนได้อ่อนตลอดเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ อยู่ง่ายพยายามอยู่ง่ายอะไรก็ได้มันอย่จู้จี้จุกจิกอยาก่าจู้จี้จุกจิกสันโดดยินดีตามยนดีตามเคยเจ้าค่ะคําสอนที่พระอาจารย์สอนทําให้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็อยู่ง่ายแล้วมันมีความสุขเพราะอะไรก็ได้ตอนนี้แนละ่วเจ้าค่ะดีมากแล้วมัน<ต>ไม่ไปทำไม่ต่อกรอย่างคนอื่นให้เขายุ่งยากลาบากกับเราเจ้าค่ะ ใช่เจ้าค่ะแล้วพาะอาจารย์พิ้นสอนเมื่อครั้งที่แล้วด้วยว่าเป็นครูต้องมีความเมตตาแล้วลูกจะนําไปใช้กับลูกศิษย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะอ่ะแต่ก็อย่าลืมปฏิบัติของเราด้วยนะเจ้าค่ะลูกพยายามอ่าพยายามตื่นมาก็นั่งสมาธิเลยแล้วก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิอแต่อย่างน้อยก็สักสองครั้งก็ยังดี ใช่เจ้าค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นเจ้าค่ะจ ะ, จะต้องจะต้องนั่งให้เป็นนิสัยเจ้าค่ะเหมือนมาเพลยมาเพลย์เพ<ช>เครื่องคอมพิวเตอร์ดิสทุกอย่างออกไปเวลาเข้าสมาธิใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแล้วก็ลูกได้ฝึกสติมากๆเลยเพราะว่าลูกตอนนี้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นช่วงขี่มอเตอร์ออรไซค์ <laughs> การนี้ต้องเดินทางไกลไหมขี่มอเตอร์ไซค์ วันนี้วันนี้ลูกขี่เขาพิเข้าไปมหาวิทยาลัยก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งเจ uh huh. ้วค่ะเพราะว่าลูกอยู่ประทุมอยู่ลำลูกกาก็ uh huh. เข้าไปก็เกือบชั่วโมงหนึ่งคือสติต้องแน่นต้องแน่นมากว่าทำพาทำพาต้องหล บ, บแล้วก็รถกร็เยอะเจะา้าค่ะแต่ว่าก็ก็คิดว่า ได้เ้าคะ่ะเพราะว่าลูกขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ตอนเป็น ญ, ญาตรีเรียนขอนแก่นก็ใช้มอเตอร์ไซค์ตลอดก็ก็คุ้นกับการขี่เจ้าคะ่ะ<ม>ก็ไม่มีปัญหาเจ้าคะ่ะแต่ว่าเป็นการฝึกสติดีมากดีมากเลยเอ้าการขับปลอดภัยนะสาธุคำของคลนะคะโอเคสาธุอ่านทอานนี้ก่อนนะคุณจ้าเชิญวดแรง พอดนั่นแอ บ, บมามาสการค่ะอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมสวัยดีค่ะอาจารย์ช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วยังคงมีความวาวุ่นอยู่เพราะว่าเรื่อง ท, ทัรัมป์กับแพรฟของจีนะคะแล้วก็งานหนูมันผูกกับ Import Export แล้วก็งานกราฟิกดีไซน์มันก็เป็นงานที่ทำกับกลุ่มคนที่ Import Export เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูก็อยู่ในจุดที่แบบ เอ๊ะจะยังไงคือแบบเราวันนี้ใครแย่มาว่าจะลดได้ยังไงไม่รู้เลยค่ะหนูหยุดดูแล้วพระจ้าเออช่างมันเถอะเอาไงงั้นแหละถึงเวลาท่านมันเป็นการเล่นเกมของเขามากกว่าใช่ค่ะเออคือแบบอะไรก็ไม่รู้พระจ้ามันก่อนข่าแบบขึ้นไปถึงสองร้อยสี่สิบห้าหนก็มันมันมันเหมือนเด็กเขาเรียกว่าไงนะคะเหมือนเด็กจะเอาชนะอ่าใช่แบบเอาชนะกัน อ่าพอไม่ได้ก็ร้องไห้นอนดิ้นอยู่บนพื้นอย่างนั้นและแล้วหนูก็แบบให้ทำยังไงเราก็เป็นแบบ small business owner นะคะจา์ก็แบบเป็นต้อง take effect อะค่ะเขาจะผลมันจะยังไงก็อยางงั้นแต่หนูก็อาศัยธรรมะคอยอ่าเหมือนคอยดึงใจอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างแบบเมื่อวานก็อ่มีอะไรต้องทำเยอะแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าแบบ มันก็จะมีเหตุผลอย่างนี้แหละอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีนู่นมีนี่ต้องทําถ้าไม่นั่งสมาธิสักีอะไรอย่างเนี้ค่ะหนูก็ตั้งนาฬิกาชั่วโมงหนึ่งนั่งอะไรก็ไม่อไม่ค่อยได้ความเหมือนไม่ค่อยสามารถตามพุทโธได้เท่าไหร่ใจมันจะค่อนข้างแวบไปคิดนูน่นคิดนี่อะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าออย่างน้อยเราถือว่าเราได้ความเพียรความตั้งใจว่าจะนั่งให้ถึงชั่วโมงหนูก็นั่งให้มันถึงชั่วโมงอะไร ถ้าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นเป็นจากพุทโธมาเป็นการสวดมนต์อะไรก็ได้หรือาการสามสิบสองก็ได้อ่าลองพยายามคือหนูอแต่ก่อนที่เวลานั่งหนูจะชอบเริ่มสมมติหนูเริ่มตามลมหายใจสักพักนั่งไปแป๊บหนึ่งหนูก็จะอยากเปลี่ยนเป็นพุทโธสักพักหนูก็จะไปสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมีความรู้สึกซึ่งไม่น่าจว่าเป็นความคิดที่ผิดไหมหนูมีความรู้สึกว่าเออ่ ทำไมเราถึงไม่สามารถตั้งใจว่าจะทำหนึ่งอย่างแล้วก็ทําตรงนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าสหรหัูหนูไม่ค่อยรู้สึกว่าหนูโดนกิเลสหลอกอยู่หรือเปล่าที่จะอยากเปลี่ยนจากลมหายใจมาเป็นพุโทโธจากพุโทโธมาเป็นอะไรอย่างนี้คือเหมือนมันด้วยความที่มันเบื่อมันก็เลยเหมือนแบบหลอกตัวเองให้เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อะไรอย่างนี้คะหรือว่าจริงๆแล้วโอเคเพราะว่าถึงจะเปลี่ยนแต่เป็นการเปลี่ยนที่ยังอยู่ในรูปแบบอ ก็ยังได้ดีที่สุดเราต้องการดูเฉยๆดีที่สุดคือดูลมเฉยๆแล้วดูลมไม่ได้ก็อาจจะต้องมาสวดมนต์บ้างพุโทโธบ้างไปก่อนสลับกันไปค่ะ<า>เพื่อให้กลับไปดูลมให้ได้ต้นไม้ของการพองงานที่ที่ดีที่สุดก็คือการดูล ม, มหายใจเข้าออก ทีนี้พระอาจารย์คะหนูทำขอทำเรื่องในเรื่องของสติปัฏฐานนะคะคือในหมวดของอนาปานาสติหรือว่าการที่ถ้าเราใช้อาการส2สิบสองท่องเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆสวดมนต์คือท่องให้ใจสงบเฉยๆแต่ยังไม่ได้พิจารณาอะไรอย่างนะะี้ค่ะหมวดอ่หมวดนี้ถือเป็นหมวดสร้างอ่าสมาธิถูกไหมคะแต่ซึ่งเราจาไม่ต้องก้าวไปที่จุดดูนิวรณดูจิตดูอะไรพวกอย่างนี้จนกว่าเราจะอยู่ใน เพ<ไ>ือการอาการฐานที่สองนี่มันเป็นได้ทั้งอารมณ์ของปัญญาและอารมณ์ของสมาธิไงค่ะพอเราท่อชื่อมันไปเฉยๆก็เท่ากับเราใช้มันเหมือนเหมือนใช้แนทนพุทโธมันก็เป็นเพื่อทําใจให้สงบนี่ยถ้าเรามาพิจนารณาเนึกถึงภาพของอาการากตา่างๆมันก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาอืมแล้ทีนี้งั้นถ้ายอย่างนั้นจริงๆเราก็คืออนัปปานสติแบบดูลมหายใจคืออย่างเดียวที่จะเป็นการ สร้างสมถะถูกไหมคะหรือว่าจริงๆก็สามารถทําเป็นวิปั ส, สนาได้เหมือนกันคือเห็นแบบมองเป็นไตรลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอ น, นาปนสติมันก็มันก็จะเป็นวิปั ส, สนาในเชิงที่ว่าเราจะเห็นอ น, นิจจงความไม่เที่ยงของร่างกายเกิดแล้วก็ลัทธ์หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายอย่างเงี้ยมันก็จะนึกถึงความตายได้เท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นมันยังอ่นเรื่องสุขภาพนี้มันจะมองไม่เห็นจากอานาปนาสติเนี่ย อ่าโอเคค่ะแล้ว<ต>ถ้าอยากจะดูสุภาพก็ต้องดูาการถามยิบสองหรือดูศาสตศพสิบชนิดนี้่เห็นนยนสุภาพเป็นการไม่สมวย ง, งามของร่างกายอันนั้นคือตัดพวกเอ่อค่าราอลราคะในสังโยชน์ใช่ไหมแล้วถ้าและพอเวลาที่เราเริ่มขยับไปดูเวทนาหรือดูจิตอันนี้คือเราจะตัดอะไรลรอคะก็ตัดตัดเออเขาเรียกอ สักายสักกายทิฏฐิไงขันห<ม>้าการยึดติดในขันห้าเวทนานี้ก็เป็นหนึ่งในขันห<ม>้าอืืรูปเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณนี่ยโอเคอันนี้ก็ละสักกายทิฏฐิเพื่อจะได้บรรลุเป็นโซดาบันถอย<ม>แล้วก็ไปละล ะ, ละไปละการมล า, าคะด้วยด้วยสุภะก็จะไปบรรลอนาคามีถอยขั้นหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติหนูนั่งจนปวด อ่าอย่างที่เมื่อกี้คุณสันนี่พูดถึงก็แตบว่าแบบหนูก็ติดอยู่ในจุดตรงนั้นเหมือนกันคือหนูมันรู้สึกว่าหนูกลัวเหมือนกันแต่ว่าหนูก็ผ่านไม่ได้คือตอนนี้กำลังกำลังสติเรามีไม่พอแล้วเราพยายามผลิตสติขึ้นมาพุทโธพุทโธค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีสติถึงจุดหนึ่งแล้วเราผ่านเข้าไปถึงความ ที่เรารู้สึกได้ว่าร่างกายที่เคยเจ็บแล้วอยู่ๆมันไม่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะผ่านจบแล้เราจะเอาเวทนาตรงนี้มาพิจารณ나ยังไงต่อค่ะเพื่อให้รัสกสากายอยาดิถีได้ก็เห็นว่ามันเป็นตายักเนี่ยมันเป็นอยง น, นี้จังไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราควบคุมบังครับมันไม่ได้ต่อ เ, เลวลเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะปวดตร ง, งนู้นปวดตรงนี้เราก็ต้องปล่อยวางอยู่กับมันให้ได้ อมื่อเราก็เราก็จะไม่ต่าไมา้ขึ้นเราอย่าไปทุกข์กับทุกข์เวทนาเพราะอย่างนี้อ<า>ย่าไปทุกข์กับความเจ็บปวดสามารถอยู่กับมันได้เหมือนกับความสุขเวทนาคืาอตอนเนี้ยเราหนูอะก็สามารถคิดได้ด้วยสมองนะคะ่ะว่าเ อ, อมันร่างกายไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าสมมติว่ า, าทันทีที่เรามีสมาธิที่ อ, อแบบ เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคณิกะอะไรแบบนี้ถูกไหมคะอัปปนาสมาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นความสงบที่ทําให้อ่าใจเราวางร่างกายได้มันจะเห็นด้วยใจมันจะรู้ว่าเราเป็นกำลังแต่เราต้องไปปล่อยร่างกายต้องพาให้ร่างกายไปเจอสิ่งที่เป็นอันตรายกับมันดูอือแล้วดูสิว่ามันยังกลัวอยู่เปล่ามันยังเดินอยู่เป่า อืมแต่ว่าถ้าเกิดเราน้าท่านหนูนั่งอยู่ในที่ปลอดภัยนั่งอยู่ในบ้านหนูผ่านเวทนาไปได้แล้วหนูพยายามจะพิจารณาตรงเนี้ยมันมันอาจจะยังไม่รุนแรงพอให้จิตใจเห็นถูกไหมคะเราต้องกระตุ้นมันคือหนูละได้ขึ้นเดียวเห็นละเวทนาได้ความเจ่นได้แต่ยังไม่ละความตายไม่ได้อ๋อได่ละค่ะเราละเวทนาได้แต่ละร่างกายไม่ได้เราต้องไปเอาไป expose ร่างกายเราต่อสถานที่ที่มันอาจจะมีภัยเช่น ที่นั่งรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วดูสิว่าใจเราตกใจกลัวหรือเปล่าอื ม, อมโอเคค่ะซึ่งถ้าสมมติอย่างหนูแคะหนูเป็นคนกลัวจริงจกอย่างนีง้ยค่ะถ้าเกิดว่าหนูไม <c oughs> ่กลัวแล้วก็ไม่กลัวมันไมเฉยเฉยถ้าหนูเอาตัวเองไปนั่งในที่ที่มันแบบหนูลุกจิ้งจบอย่างมันก็จะละอย่างมากก็จะละได้แค่ความกลัวอยู่ดีก็ยังไม่สามารถลกความตายได้ถูกไหมคะมันก็ยังยังไม่เจอเหตุการณ์ที่มัน แต่ทาให้เราตายจริงจริงจริงจบแล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้ทําให้เราตายหรอกมัน <c oughs> แค่เราไม่ชอบมันเท่านั้นเอง <c oughs> อเค่ะโอาเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ว่าขั้นต่างๆเราต้องเริ่มเริ่มจากทาลกก่อนเลยก็คือแก้ความั ว, ว ง, ง่ายๆก่อนในตัว ง, ง่ายๆก่อนโอเคค่ะจากปวดก็ไปกลัวจากกลัวก็ไปตาย อ, อะไรอย่างนี้ขั้นสุดท้ายก็ต้องยอมตายให้ได้อ๋อ ย, ยาวไกลเหลยเกินเส้นทางนี้ <c oughs> สาธุค่ะค่ะอาจารย์ไม่เป็นรหรพระพุทธเจา้าบอกถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแต่มันต้องทําทุกวันไงคะ่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องเป็นพระต้องเป็นนักบวชไม่ได้ทําอย่างอื่นนะอย่งอื่นตัดได้หมดแล้วรับสมบัติข้าของเงินทองทองไพร่เหล้าตัดทท่งไม่ได้หมดนะ่ะแต่ยังมาติดอยู่ที่ขั้นห้าอยู่ตัด ท, ท, ท, ที่ต้องตัดต่อไปค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะขอบพระคุณแม่ค่ะค่ะอาจารย์สาธุค่ะวัน อ่นำมาไปปฏิบัตินะน้องเอินต่อน้องน้องเอินอยู่ไหนเนี่ยเห็นอยู่ข้างนหน้าเลยครับเก่านาวสการค่ะพระจาร์บดีอยู่ข้างนอกค่ะเออก็ได้เข้ามาฟังค่ะพระจาร์นัน่งรถอยู่ก็เดินอ่านั่งรถค่ ะ, ะนรถ ค่ะวันนี้ก็ขอพูดนิดนึงก่อนหมดเวลานะคะก็วันนี้เออมีโอกาสได้ออกมาข้างนอกค่ะได้มาที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งปกติเอิงไม่ได้ไม่ได้มาเดินอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเอาการปฏิบัติในรูปแบบมาใช้โดยการที่เดินรู้สึกว่าเดินพอเอิงรู้สึกตัวว่าเดินอยู่อะคะ่ะใจมันไม่ได้สิ่งของในห้างที่เคยดึงเราเข้าไปมันไม่ไม่รู้สึกอะคะ่ะ แต่ก็เออรามีสติดึงใจไว้ไม่ให้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆาก็เลยแต่ว่ายังไม่ชราใจค่ะแบบว่าก็คิดว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอนิมิตหมายอันดีว่าแบบเออการที่เราเคยถูกสิ่งพวกนี้หลอกล่อเราอย่างเงี้ยแต่วันนี้พอเรารู้สึกตัวแล้วว่ามันไม่ได้ไปคิดกับของที่มากระทบกับเออขับอาจานก็ต้องดูไปเรื่อยๆการปฏิบัติอย่าไปชราใจ ต น, นี้มันอาจจะมีกําลังปล่อยแต่พรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีแรงปล่อยก็ได้ขอบพระคุณพระอาจารย์อันนี้ถ้าจะ ถ, าถ้าจะปล่อยได้จริงๆต้องเห็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทุกทุกอย่างที่เราที่มีของของกายในร่านนี่เป็นทุกข์หมดทุกข<ต>์เพราะต้องหาเงินมาซื้อมันสองทุกข์เพราะว่าได้มันมาเดี๋ยวมันหายไปก็ทุกข์อีก อาจารวันนี้เอองก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยว่าแบบอมถ้าบ้านเอองไม่มีอะไรเลยหรือว่าเอองไม่มีบ้านเลยเวลาไฟไหมเอองก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนั่นแหละไม่มีอ ะ, อะไดีที่สุดพอมีแล้วทําเป็นทุกข์ขึ้นมากับสิ่งที่เรามีทันทีใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่รู้ย้อนแยงหรือเปล่ารู้สึกโชคดีที่ตัวเองจนคะับนั่นแหะคนจนเนี่ยมีทุกข์มากกว่าคนรวยค่ะอาจารย์ดีแล้วแหละ อย่าอย่ารวยเลยรวยแล้วทุกมากกว่าเพราะต้อนมันกังวลกับทรัพย์สมบัติเท้าของเงินทองนะเราประมาณนี <Yeah. S 2> ค้ค่ะพระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราอยู่แบบคนจนไงอยู่แบบว่าน้อยสันโดษแล้วจะสบายใจมีเท่าที่<ไ>จําเป็นใช้เท่าที่จําเป็นอะไรไม่จำเป็นตัดทิ้งไปให้หมดอยู่เหมือนอยู่ในกุฏิภาสเนี่ยไม่มีอะไร เวลาเราไปปฏิบัติตามตามสําหน่งปฏิบัติก็มีอะไรให้เราบ้างก็มีแค่ที่หมอนกับที่นอนอนั่นเองจริงๆผมมีแค่ที่พักเฉยๆค่ะเอิงต้องนอนในถุงนอนอย่างเดียวไม่มีพัดลมไม่มีไฟฟ้ามไม่มีอะไรเลยดีทําได้ดีไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมากังวลไฟดับก็ไม่เดือดร้อนคนที่ใช้เครื่องปรับอากาศพอไฟดับก็ยิ่งเดือดร้อนเลยนอนไม่ได้ะ <c oughs> พอเอิญมีโอกาสได้ไปอยู่แบบนี้เอิญก็รู้สึกว่าจริงๆชีวิตเราแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยแต่ว่ามนุษย์เรามันปุงไปถึงความสบายถึงระดับปัจจุบันแล้วอะค่ะอ่ามันจะไปเรื่อยๆไปมากกว่านี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะของมู้นนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเนีกับเวลามันหายไปมันหมดไปหรือมันหยุดไปนี่ลองคิดดูถ้าถ้ากรุงเทพไฟดับถ้ากรุงเ ม, มืองดูจะเป็นยังไงกวนลาผลไ คณะคณนคณะแผ่นดินไหวแค่ น, นิดเดียวเท่านี้วุ่นวายกันขนาดานีน้นี่แหละความสุขทางโลกเป็นอย่างเนี้ยไม่แน่นอนเป็นทุกข์พิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเลิกมันได้อย่างท้าวล์ถ้าใช้สติมันก็เพ่งแต่ห้ามใจไว้มันนี้ห้ามใจไว้ได้เดีย๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเผลอสติเมีกิเลสมันดอ่อ ป, ปั๊บไปแล้วอเนี่นนู่นก็นดีอนี่ก็ดีขึ้นมา แต่ถ้าเห็นมันเนเห็นด้วยเห็นด้วยปัญญามันจะมั น, นมันจะไม่ไปเลยมันเห็นว่าเป็นทุกข์ใช่อาจารแล้วก็โชคดีที่ไม่มีเงินซื้อครับอาจารย์โอเคสาทุมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณ<ข>อจอหขอบขอคุณสาธุนะจอยเป็นยังไงตอนนี้ไปเข้าวาัดมปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดเลย อยู่ค่ะไปมาเอ่อสี่คืนกับห้าวันห้าวันไม่เต็มกับวันที่ห่ะงค่ะดีไหมถือสิบแปดก็รู้สึกดีตรงที่ว่าได้ถือสิบแปดแล้วก็คือเอาเด็กไปด้วยก็ก็กวักันนิดหน่อยค่ะเพโอ้เอาถุงเล็กไปด้วยอ่ะเหือนเมนกันเหนกมาอยู่ที่วัญญาณใว่ปะไม่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่วัญญาณหนูยังไปฟังเทศตลอดเนี่ย อถ้ามีฟังเทศหนูจะ พ, พาพาาระพาตานเทศหนูจะไปฟังตลอดแต่ว่าที่นี่เขาเหมือนกับให้เราทําเองอะไรเงี้ยนั่งสมาธิเด<ม>ิจนจงกรมอะไรเงรี้ยหนูก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็เลี้ยงตัวเล็กด้วยก็ให้ก็จะแบบไม่ค่อยเต็มที่อะค่ะแล้วมีน้งไปไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันด้วยเป่ามีตอนเย็นค่ะตอนเย็นครั้งเดียวนะครั้งเดียวค่ะพราะตอนเช้ามันแม่ชี่เขาทําอาหารกันเองค่ะอม ก็ต้องไปช่วยเขาที่นงครัวด้วยเลยใช่ค่ะไปช่วยไปช่วยฝ่ายกนดีเป็นรูปแบบหนึ่งนะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูว่าถูกใจที่อาจารย์ได้ฟังเทศมันชอบอันนั้นหนูว่ามันมีอะไรเข้าหัวสมองดีแบบว่าเพราะว่าเรายังไม่เก่งใช่ไหมคะเราต้องใช้ครูบาอาจารย์นำทางก็คือดีีค่ะ้วไปไปมันฟังได้ยเ้ค่ะ ฟังได้แต่ว่าอยู่กับเด็กก็อันนี้แต่ก็หนูก็นั่งสมาธิอยู่บ้างแล้วก็เช้าตอนทช้าก็แล้วก็สวดมนต์ทำโอเคดีดีก็อยู่บ้านก็แล้วกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะดีก่าแต่ว่าอยู่วัดคือยังไงก็ถือสิ่งแปดได้แต่อยู่บ้านพยายามมันยากยากใช่ค่ะสิงแปดได้เราไม่อํานวยไงไม่เสียไะ คือสิววัดทิงจะหิวแต่ก็ทนได้แต่พออยู่บ้านมันเหมือนมีของกินเหมือนมีอะไรมาล่อตาเราเหมือนอเราต้องสู้กับกิ เ, <ล>เสู้กับทุกอย่างแล้วก็กับมาก็ต้องสู้กับคนด่าว่าแต่ว่าก็ดีอย่างนะพะจ่ะคับมันความรู้สึกมันโกรธอะไรใครมันน้อยลงไปอะค่ะอ่าน่ะผลจากการปฏิบัติที่เลย น, นั่นความรุนแรงมันจะเบาลงไปเรื่อยๆค่ะถ้าหนูคิดว่นาคตถ้าลูกโตรเรย่องอ อยากบวชตลอดค่ะร อ, อให้โตกว่านี้น<ล>อีกนะถึงเวลาก็จะไม่เมยค่ะเ <Okay. S 1> พราะว่าหนูหนูรู้ว่ามันเป็นทุกเดแต่นหนูไปใสบ่บาตรเหมือนเดิมนะคะโอเคจาทูนุนไปใส่บาตรเหรออา่อาอ่าคุณคุณล่ะมีคำถามนะคุณล่ะกราบนมัสการพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะช่วงหลังๆมานี้หนูอยู่กับการปฏิบัติ ฝึกสติทำสมาธิมากขึ้นทําให้ใจหนูเปลี่ยนไปมากคือความอยากได้อยากมีลดหายไปจนไม่อยากมีอะไรแล้วเห็นว่าพอได้มาก็ต้องหายไปไม่มีอะไรอยู่กับเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างความกระตือรือร้นในการทำมาหากินก็น้อยลงอยากอยู่แต่กับจิตกับใจฟังเหมือนเป็นคนที่เกียจ ซึ่งเมื่อก่อนหนูจะขยันทำมาหากินมากค่ะหนูจะวางใจและดำเนินไปแบบไหนให้ได้ดีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็ แ, แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบวิธีของคนฉลาดําน้อยที่สุดทําไปทำามทํามากเราไปทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาทําไมสู้มีน้อยๆไม่ดีกว่าเลยคนที่ขยันหามากเนี่ยเป็นคนโง่หรือเปล่าไปดูว่ากำลังไปหาความทุกข์มาใส่ใสหัวใจของตัวเอง ถามตอไปกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะการภาวนาโดยวิธีการเพ่งให้สงบกับการพิจารณาร่างกายให้สงบถ้าจิตรวมลงแล้วจะอยู่ได้นานหรือลึกเหมือนกันไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราพิจารณาปล่อยวางร่างกายได้มันก็จะแบบท้าวรอมันจะสงบแบบท้าวรอนแต่ถ้าเราใช้สการเพ่งมันก็จะสงบชั่วที่เวลาที่เราเพ่ง พอเราจากสมาธิมาพอเราไม่เพ่งมันความรู้สึกใใจเกี่ยวกับร่างกายก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นร่างกายเป็นตายรักเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปหมดแล้วเลยมีสองคาถามนะโอเค <Okay. S 2> เวลาก็หมดพอดีสําหรับคืนนี้ ก็ขอให้ทุกท่านจะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิด